คือการซ้อมตายในกิจกรรมนี้จะจะไม่มีการชี้แนะว่าทุกท่านควรจะทำจิตทำใจอย่างไรอยากจะให้ออกมาจากใจของพวกเราเองว่าควรจะ ทำอย่างไรกับเหตุการณ์และความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้ฟังคำกล่าวต่อไปนี้แต่ก่อนอื่นขอทุกท่านผ่อนคลายให้คิึงน้ำหนักตัว โดยที่ไม่ขัดขืนเหมือนกับว่าจะทิ้งล่างให้จมลงในแผ่นดินวางวางความคิดนึกต่างๆเอาไว้ก่อนให้รับรู้ถึงความรู้สึก ที่เกิดขึ้นกับทั้งร่างและทั้งตัววางทิ้นน้ำหนักตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะลอไปให้เต็มที่ ให้นึกถึงคนไข้ผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมหรือเห็นที่โรงพยาบาลเมื่อบ่ายนี้ให้จินตนาการว่าบัดนี้เราเองก็มีสภาพเช่นเดียวกับเขา หดีอยิ่งกว่าเขาซะอีกกำลังนอนแบบอยู่บนเตียงมีสายระยงระยางทั้งท่อช่วยหายใจท่อน้ำเกลือหรือแม้แต่ท่อให้อาหาร ร่างกายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องวัดสัญญาณชีพกำลังวังชาอ่อนแอลงไปเรื่อยๆร่างกายผายผอมว่งที่ปากแห้ง ประสานการทำงานทุกส่วนเสื่อมถอยมองอะไรไม่ค่อยเห็นได้ยินอะไรไม่ชัดเจนขยับตัวก็ลำบากขยื่นแต่ละครั้งก็รู้สึกปวดแปล ปวดทั้งตัวปวดที่แผลปวดไปถึงกระดูก ให้จินตนาการว่าขณะนี้เรานอนอยู่ผู้เดียวกลางดึกไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนด้วยม้แต่คนเดียวรอบตัวเงียบสนิทมีแต่เสียงของเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์รอบตัว เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกขณะเพราะคืนนี้สุดท้ายของเราความแตกดับของร่างกายกำลังทวีความรุนแรงขึ้นมือเท้าเริ่มเย็น ความอบอุ่นหายไปความเย็นลุกลามขึ้นมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอีกไม่นานร่างนี้ทั้งร่างก็จะไม่มีความอบอุ่นหลงเหลือ จะมีแต่ความเย็นเยียกที่เคยขยับข่้นได้บ้างก็กำลังจะแข็งทื่อเป็นท่อนไม้หัวใจที่เต้นมาท่ ว, ม า, วมาชั่วชีมาท่วมาชั่วชีวิตก็กำลังจะหยุดลง ปอดเริ่มอ่อนแอหายใจติดขัดลำบากขึ้ น, นเรื่อยลมหายใจมีแต่จะหนีออกจากร่างทุกอย่างกำลังจะออกจากร่างไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปทั้งดิน น้ำไฟลมทั้งของเหลวอุณหภูมิความอ่อนดุลกําลังวังชารวมทั้งความรู้สึกตัวจิตกําลังจะออกจากร่างในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ ในช่วงที่ทุกอย่างกําลังแตกดับก็มีความรู้สึกเจ็บแปลก ป, ป, ปวดไปทั้งร่างปวดไปถึงกระดูก จดนี้ความทรงจำเก่าๆได้หวนคืนมาหลายหลังอย่างพลั่งพลูเห็นภาพตัวเองเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนั่งบนตักแม่เห็นภาพตัวเองกำลังสนุกสนานกับพี่ๆน้องๆในสนามเด็กเล่น ไปเที่ยวกับพ่อไปวัดกับยายเห็นภาพครั้งตนเองมีความสุขกับคู่รัก เห็นภาพลูกเมื่อครั้งยังเป็นทารกแบบาะเลี้ยงดูเขาจนโตพาไปส่งโรงเรียนได้เห็นความสำเร็จของเขาได้ยินดีกับความสุขของเขา แต่ช่วงขณะถัดมาภาพแห่งความสูญเสียก็ปรากฏในมโนภาพเป็นภาพตนเองในชั่วโมงสุดท้ายของคนรัก ได้อยู่เบื้องหน้าร่างผู้มีพระคุณที่ไม่มีชีวิตอีกต่อไปเห็นร่างของลูกหลานที่จากไปก่อนวันอันควรภาพของเพื่อนสนิทที่จากไปด้วยความทุกข์ เหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคนรักพัดพลากจากผู้มีพระคุณทยอยให้เห็นเป็นลำดับในนิมิตนั้น เสียในการที่เราถูกกันแกล้งเอาเปรียบใส่ร้ายรวมทั้งถูกคดโกง ทรงจำเก่ า, เ, กาเมื่อครั้งเราได้ทำร้ายจิตใจคนใกล้ชิดสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแก่คนรักเมินเฉยต่อความทุกข์ของพี่นู้ผู้มีพระคุณ ที่เคยผูกพันใกล้ชิดกับเราได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งทั้งผู้ที่จากไปและผู้ที่ยังอยู่ ในภาของความรู้สึกเราได้ตระหนักแล้วว่ากำลังจะจากลูกหลานคนรักไปชวนยดงไงจากคนรักยังไม่มีวันกลับ ไม่มีโอกาสที่จะดูแลเขาปกป้องเขาอีกต่อไปไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะร่ำลาสังเสียเขาเป็นครั้งสุดท้าย อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะต้องละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสรรพสิ่งกำลังแตกดับทุกอย่างที่เคยรู้จักกำลังกลายเป็นอดีต เบื้องหน้าที่กำลังเคลื่อนข้อหาเป็นอะไรที่เราไม่รู้จักมืดมนขณะที่ชีวิตกำลังริบรีความมืดสนิท ก, ก็ครอบคุมมโนสำนึก ดิงนง้ำลมไฟกำลังแตกดับชั่วนินรันดร์บัดนี้ทะเลแห่งความตายกำลังกืนกินชีวิตไปชั่วนินรันดร์ ให้เราค่อยๆขยับไปมปลไปเท้าช้าๆนะคะนำความรู้สึกตัวกลับมาก็ใช้ลืมตาขึ้นนะคะ ขยับตัวนะคะแล้วก็ตะแคงลุกขึ้นนั่งช้าๆนะคะแม่ลุกขึ้นนั่งแล้วนะคะจะขอให้พวกเราล้อมเป็นวงใหญ่วงเดียวนะคะ ขอเป็นวงเดียวนะคะเดี๋ยวจะให้พวกเราได้แบ่งปัน สองเรื่องด้วยกันนะั น, นี่งคือความความรู้สึกในขณะที่เราได้ได้กินตนาการว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาความรู้สึกในขณะที่เรานอนอันที่สองคือว่าเราทำอย่างไรกับความรู้สึกนั้นหรือว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นตามที่ได้ได้พัฒ น, นามาอันแรกคือเรา้เรารู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นสองเราทำอย่างไรกับความรู้สึกนั้นแล้วก็รวมทั้งเหตุการณ์ที่ได้พัฒ น, นามา เลยนะฮะไม่มีไม่มีการเรียงลำดับแล้วแต่เราอยากจะแบ่งปัน ว่เสียใจมากคะ่ะที่รี p o r อะไรไม่ได้เพราะมันสบายซะนักเกินที <c oughs> <c oughs> ่ฉันก็เลยตายไปเลยเ <c oughs> <c oughs> สียใจจริงๆคะ่ะย <c oughs> ินดีด้วยฮะตายสนิทเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแหมนี่ถ้าเผื่อถึงเวลาตายมันสบายอย่างนี้แล้วก็ได้ฟังเสียงเพราะๆอย่างนี้ <c oughs> ก็มีความสุขที่สุดแล้วก็สงสัยว่าตายไปเลย น่ากลัวหลับไปค่ะจำไม่ได้จริงๆพระอาจารย์พูดอะไรเออสึกคราวนี้แปลกก็รสึกพร้อมจังเลยที่จะตายแล้วก็มีความรู้สึกนึกถึงลูกมน่ยเออลูกเขาก็พร้อมอ่ะ เราเราคงเราเริ them, ่มเตรียมเข้าไปได้ขั้นหนึ่งแล้วอ่ะมีความรู้สึกแบบไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ซัฟเฟอร์เหมือนเหมือนเหมือนคราวแรกแล้วมีความรู้สึกเออในครั้งนี้เฮ้ยทีจังเลยลูกเราพร้อมแล้วอ่ะเออแล้วก็แล้วตอนนี้จะไปจริงเก็นึกถึงครูบาอาจารย์ก็นึกถึงแท่อาจารย์ตามด้วยท่านจิ๋วแล้วก็ตามด้วยท่านชยันโตแล้วก็เออท่านจันชากบ ปูดขึ้นมาแล้วก็พระพุทธรูปที่ ท, ที่ที่วัดท่านจิว๋วเนี่ยนึกจนกระทั่งสุดสุดท้ายสุดท้ายเลยแล้วก็แบบดีใจมีความรู้สึกว่าลูกเราก็เริ่มเริ่ ม, เ, มเตรียมลูกเราเกือบพร้อมแล้วแหละที่เขาจะารับรับรับได้ตอนที่นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธรูปนี้นึกถึ ง, ถงช่วงไหนช่วงที่เงียบหรือว่าช่วงที่ ่กำลังพัฒนาเหตุการณ์สุดท้ายแนะเจ้าค่ะตอนตอนที่จะจ ะ, จะไปแล้วตอนหลังสุดท้ายเลยก็คือนึกเอ่อถึงเ อ, อ, อ่ออะไรแต่อะไรคนที่เขาทอาอะไรกับเราอะไรแต่อะไรแล้วก็เอ่อนึกถึงลูกแล้วก็มานึกถึงสุดท้ายเลยคือคือสิ่งสุดท้ายที่นึกถึงห ม, มายถึงว่าเหมือนกันเราจะไปอยู่แล้ว<ม>ก็รีบ<ม>ก็แบบเบ้นี่ก็ปุ๊บ ก, ก็นึกถึง พระอาจารย์ท่านจิ๋วท่านชยันโตแล้วก็มาพระพุทธรูปท่านจันชาแล้วก็มาพระพุทธรูปจนจนจนกระดิ่งะดีใจไม่หลับมีมีใครเป็นอย่างคุณหญิงอ้อยบ้างไหมคะว่าถ้าเทียบกับคราวที่แล้วแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยพร้อมมากขึ้นหลายท่า น, นะคะ่ะพร้อมมากขึ้นรู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้ น, นะคราวที่แล้วสึกคือคือติดอยู่ตรงห่วงลูกห่วงลูกนี่ฮมสึกแบบเออ ห่วงลูกค่ะเขาขอขอฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคนที่รู้สึกว่าเที่ยวนี้พร้อมขึ้นเนี่ยมันมช่วงไหนตอนไหนที่รู้สึกว่าปล่อยได้มากขึ้นมันสบายดี <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนพี่หน่อยหน่อ ย, น, อยนะคะคือว่าแต่ไม่ได้หลับ อ, อไม่ได้นึกถึงอะไรไม่ได้นึกถึงพอท่านบอกให้นึกถึง เ, เหมือนเด็กเมื่ อ, อไรมันก็นึกไม่ค่อยได้ะคะ่ะก็ มันหลัวมากเลยแล้วก็แต่ส่วนใหญ่มันอยู่กับกับกับกับอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้ลมหายใจค่อนข้างจะเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็ท่านบอกว่าปวดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกปวยก็รู้สึกสบายมากแล้วก็ท่านบอกว่านึกถึงคนที่เรารัก มันก็มันก็ไม่มันก็หลัวหลัวเหมือนกันนะคะคือมันไม่รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเกาะเกี่ยวใายก็นึกถึงอาจารย์จริงชัยว่าเราน่าจะนึกถึงแกแต่ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอะค่ะก็ไม่มีไม่มีห่วงอะไรเลยจนนิดเดียวรู้สึกสบายวันลื่นลื่นตลอด ต, ตอนที่รู้สึกลมหายใจนี้ จิตไปเพ่งที่ลมหายใจหรือเปล่าไม่ได้เพ่ง่ะคะมันรู้หมดนะคะมันรู้หมดลมหายใจก็สูอ่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของการรู้แต่ต้องยอมรับว่าสบายมากสบายสบายแบบมันบางทีมั น, มนความคิดมันอาจจะลอยออกไปมันก็นิดเดียวมันก็กลับมาอยู่ที่รู้ตัวรู้สึกถ้าตายอย่างนี้ได้ก็ดีเลยคะืะ <laughs> พระพระก็ไม่ได้นึกถึงพระพุทธลูกไม่ได้นึกถึงมันไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนะคะก็ตอนที่ตอนที่ทิ้งจังหวะเงียบไปเนี่ยนึกถึงอะไรตอนที้เงียบไปมันก็อยู่กับอยู่ลมหายใจมันก็ไม่ใช่ลมหายใจมันอยู่กับทั้งหมดนะคะใจไม่ใจไม่ฟุ้งไม่ลอยมีนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันก็จะมีความคิดออกไปแล้วมันก็บามากด้กยแบบความหมาแต่ว่าพอท่านไกด์ให้นึกถึง คนที่รักเนี่ยเฮ้ยจริงมีคนที่รักเยอะมากนะแต่ว่ามันมันหลัวหลัวไปหมดนะคะมันไม่ันไม่ชอบไก็นึกถึงอาจารย์ชิงชายมากที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เป็นไรก็สบายมากๆท่านเห็นไหมากขอให้เราได้ตายอย่างนี้เธอะนะคะ เช่นค่ะท่านอื่นค่ะเมื่อกี้สักครู่นี้ใครยกมือนะคะพี่แอลคุณโมแล้วอาจารย์บอกว่านึกถึงมันคุณไข้วันนี้เพราะฉะนั้นนะดิฉันก็นับพดโทพดโทพดโทแล้วอาจารย์ก็บอกว่าทั้งตัวป่วยหมดเลยเลยเราก็ย้ายไปยก็บอกว่ากำหนดไว้ว่าเจ็บหนอเจ็บหนอ <c oughs> <c oughs> หน อ, <c oughs> หนอสุท้ายอาจารย์ก็บอกว่าเขาบอกค่อย ไม่เย็นแล้วละมันไม่ค่อยจะรู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นจําได้อาจารย์ว่าก็มันเจ็บนิ้วไว้เลยเราก็จะมองที่นิ้วตรงนั้นตลอดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มันค่อยๆจะสืมนมสืมนมจนทางอาจารย์ที่หยุดแล้วเราก็จะมองให้เทวตาเพราะวันนี้เราก็บอกคนไข้บอกว่าเทวตามาแล้วเทวามรแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็คิดไว้ว่าเทวาตาจะกําลังมาต้อนรับอยู่ไม่รู้ค่ะ พราะฉันตายได้อย่างสงบค่ะถ้าถ้าความจริงจรงที่นี้ก็บอกว่าถ้าไม่ลด ก, ก็โ อ, โอเคละไปได้แล้ะค่ะไม่คือที่บอกว่ารู้สึกดีกว่าคนที่แล้วคนที่แล้วมันนอนอยู่มันยังฟุ้งซ่านไปนั่นไป น, นี่ไปอะไรวันนี้สงบแค่อาจจะคล้ายๆพี่สีมันก็ตามไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่บอกให้นึกถึงคนไข้ามาเกินคนไข้ของตัวเองไม่ใช่คนไข้หนักก็เลย พยายามคิดถึงคนที่เล่าเรื่องอาคนไข้พูดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใค่เราไม่ได้สัมผัสจริงไงก็ก็เป็นเหมือนจินตนาการก็ก็ไม่ค่อยลึกซึ้งอะไรแต่ว่าแค่าตามไปเรื่อยๆก็คิดเหมือนพี่ซีวเออถ้าตายอย่างนี้ได้ก็ดีเหมือนกันมันมันไม่หลุดไม่หลับอะไรแล้วมันไปเรื่อยๆมันก็สบายพอดีเมื่อเมื่อคืนเพิ่งอ่านเรื่องเรื่องที่ที่ต้องเจาะนิ้วถุงน้ําดีเจ็ดวันอะไรเนี้ยพอดีน้องเขาฝากมาให้เออก็เลย ฝากซุยมก็เลยอ่านเนมะือคืนแล้วเลยรู้สึกว่าขนาดเขาเตรียมตัวนะแต่ถึงจริงเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเราเป็นแค่นี้ยังพอพอไหวอะไรเงี้ยเป็นแค่คนที่เป็นยังพอไหวแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ถ้าจะลําบากกันเราก็นึกในใจว่าเออเราไม่มีลูกไม่หลานเล ย, ยงไงถ้าตายอยู่คนเดียวจะทํำยังไงเพราะว่าเออ เมื่อวานคงจําได้นะคะว่าที่เรามีเคสแล้วท่านอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่าน้องสาวเขาบันทึกคือมีคณะบันทึกไว้เจ็วันเนี้ยเพราก็บันทึกแต่ละวันพอดีเขาเคยมาซื้อคอนโดน้องเขาเลยฝากหนังสือมาให้เมื่อคืนเลยอ่านไม่ได้ยาวแล้วเดิมตั้งอยากจะเอาถือติดไปเนื่ว่าจะมีที่ซีรอกเจอซีรอกมาแจากแต่อย่างนี้คงต้องรอไฟล์แล้วเขาก็บันทึกคือเขามีเขารู้ตัวตลอดนขณ ะ, ะที่หมอบอกว่าอาจจะเบลออาจจ ะ, อะรอย่างเงี้ย เพือนก็แวบก็คิดถึงอันนั้นเหมือนกั น, นก็คือพยายามจะจินตนาการว่าถ้าเจ็บปวดนี่เป็นยังไงเดี๋ยวมันนึกไม่ออกแล้วก็วันนี้ก็บังเอิญไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าอันอื่นที่ตามนี่มันเหนมือนกับว่าไม่ได้คิดถึงใครเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ามันก็จะลื่นไหลไปเรื่อยๆรู้ตัวแล้วเรู้สึกเออถ้าตายอย่างนี้ได้ก็สบายดีเหมือนกันคือนึกแวบหนึ่งว่าเออถ้ามีบุญเียถ้ามีบุญแล้วได้ตายอย่างนี้ก็สบายดี ความรู้สึกคงเหมือนคุณยินหน่อ ย, อยนะคะสบายมากเลยค่ะวันนี้แล้วเสียงพระอาจารย์หายไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าให้พูดถึงคนรักอะไรนั่นนะไม่ไม่ได้ยินเลยค่ะถ้าเสยงความตายตืนจิ น, นชีวิตจบแล้วเลยอ๋เหรอคะแบบมันสบายมากเลยเพื่อเป็นเป็นอะไระที่ ปกติเนี่ยซ้อมทีไรเนี่ยเราจะวุ่นวายใจว่าจะคิดอะไรดีจะอะไรดีเนี่ยนะจะวุ่นวายแต่วันนี้สงบมากแล้วก็เนึกในใจว่าเออวันนี้คงไม่หลับนะฟังพระอาจารย์ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้คิดตามอะไรเท่าไหร่แต่เสียงหายไปตอนไหนนี่ไม่รู้จริงๆนี่ผู้บอกให้คุทุกคนรักเออเรามาเห็นได้ยินเลย <laughs> แสดงว่าสบายมากเลยค่ะแบบมีความสุขหลับไปโดยที่เรียกว่า ไม่มีความกังวลอะไรทุกทีมันหลับไปก่อนจะหลับเนี่ยมันจะวุ่นวายใจมากว่าอะไรยังไงดีเนี่ยนะฮะต้องนี้ว่าสงบมากๆค่ะค่ะไม่ได้ยิดเหมือนกันไม่ได้ยินเหมือนกันค่ะแต่นี้ท่านจิว๋วค่ะคราวที่แล้วไม่ได้ทำถอือศีเป็นพระใช้มันก็แต่แต่คราวนี้ทำอยู่ข้างหลังก็เลยเปรียบเทียบ ก, กับครั้งที่แล้วไมไแต่ว่า น่าสนใจ่คือคือคือไม่เคยเวลาทำมรณา น, า น, นุสติของตัวเองเนี่ยไม่ไม่เคยทำในลักษณะนี้ก็ทำแบบนั่ ง, งแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณยายเพราะเวลาที่อาจารย์บอกว่าให้นึกถึงภาพป่วยนะภาพของคุณยายชัดมากแล้วก็เราคือคุณยายก็น่าจะวาระสุดท้ายแล้วนะไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่า แล้ก็นึกถึงเรื่องที่แบบว่ามีสายเนี่ยอะนชัดมากแล้วก็อันที่ชอบมากอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของสคริปต์คือที่บอกทิ้งหนักลงไปท้ใมีความสึกทิ้งไปตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มแล้วก็หายไปแล้วก็ไปเลยไปไอ้ตรงจุดนั้น <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่แต่อันหนึ่งที่แปลกใจคือมีความรู้สึกว่าตัวเองน่าจะอันนี้ได้แต่ว่า พอไปช่วงแรงๆนี่ใจหายใจหายหมึนอนก็ว่าทิ้งแล้วตอนที่อาจา ร, รย์บรรยายถึงเจ็บปวดก็พยายามคือพยายามใช้พื้นฐานของที่เคยเรียนมาไรนี่แส่เจ็บจริงๆ ก, ก็เจ็บแล้วพอดีมียุงกัดก็ก็สารต่อจากคือยุงนั่นเลยคือว่านี่คือเจ็บเจ็บแต่ว่าพอเจ็บเนี่ยอันนึงมันก็แวบขึ้นมาเลยก็อยอมเจ็บไม่ได้นะ ต้องพยายามคือคือย่อมหนึ่งก็คื อ, คอว่าเหมือนกับเสียงอ น, นอาจารย์เป็นยางนี้เป็นอาการก็ร่างกายก็เป็นไปตามนั้นแต่ใจนี้ก็พยายามที่จะทําอะไรกับตรงนั้นตลอดเวลาไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่พยายามคือจะทํำยังไงกับมันตลอดเวลาแล้วเป็นจังหวะดีมากเลยว่าคิดว่าจงช่วงกับคุณน้อยพอดีก่อนที่จังหวะที่คือไม่ไม่ได้หลับ แต่จำไม่ได้ว่าท่านอาจารย์บรรยายสุดท้ายคำไหนแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเป็นเวลาสุดท้ายพอดีอ่แล้วจังหวะนี้คือึกถึงครูบาอาจารย์ขึ้นมาได้มันคิ ด, ค ด, คดเองนะแลคิดถึงหลวงพ่อชายคิดถึงหลวง่มั่มนคิดถึงอา จ, จารย์เชืสาโรนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพแล้วก็เวียนต่อวนว น, ว น, ว, น ว, วนก็วนกลับมาวนกลับมาอย่างเี้เรื่อยเรื่อแล้ ว, แ ล, วแล้วในใจที่มันเกิดคือเหมือนกับ มันจะว่าปิติแรงๆก็ไม่ใช่มันเหมือนมันเหมือนมีความอุ่นครุ่งขึ้นมาแล้วก็ก็จังหวะนั้นเสียงมันตืด้ดเสียงตืด้ดก็ก็เข้าใจไปว่าอันนี้ปุ๊บไปเลยคือเข้าใจตีความไปเลยก็ตอนนี้ปุ๊บแล้วโอ๊ยแล้วดีแล้วแต่ว่าพอมันมันฟึ้บไปแล้วตรงนั้นอะที่มันเงียบใช่ไหมใช่ตีเหรอ ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะเสียงเสียงแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์เาเาไม่ใช่เสียงเสียงเครื่องทาหยุดเหรอเหมือนเครื่องย่อยหายใหยุดและเกใช่ <c oughs> ไม่เร็วนะ <c oughs> น, วน้เอที่วตืดอย่าง <c oughs> ี้เลยนึกว่าเสียงมันหยุดึไปเลยแล้วก็ตอนนั้นก็คือว่าออกไปแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ที่อันนั้นก็ช่วงที่เหลือก็เลยเหมือนคว้าง ซึงว่ะนี่นีแล้วแล้วตอนที่ลาลาคนที่รักก็ภาพนึกขึ้นมาแต่ว่าไม่ครบไงแต่รู้ด้วยนะว่าไม่ครบนึกนึกคนที่บางทีก็นึกขึ้นมาได้ก่อนเพื่อนบางคนก็ขึ้นมาก่อนก็ก็อะไรแต่ว่าเออลาละก็เหมือนกับเซคุดบายคุดบายคุดบายคุดบายกับกับทุกคนก็มันก็่ำกึ่งจะว่าอะไรก็ไม่ใช่แต่ก็ไปได้แต่ไม่ใช่แบบว่า เฉยๆว่าพิตายแต่ว่ามันมีความมันมีเยื่อใยเป็นอย่าันแล้วรู้ด้วยว่าลาไม่คบก็ที่เหลือก็ลาก็อะไรลายรวยมกันเลยผมนึกนกไม่ออกแต่ว่าแต่แต่นึกไม่เกะลาคือก็มีความรู้สึกมันมันไปเหมือนกันแต่ว่าจะตอบไม่ถูกมันคงไม่ไม่ได้ไปแบบแต่มันเห็นเห็นเห็นความใจหายแล้วการที่เราต้องพยายามต้องจัดการ แล้วตอนที่แบบว่ามีอาการเจ็บปวดเนี่ยจะทํายังไงความเจ็บปวดนั้นพยายามปล่อยมันพยายามทิ้งมันอรอย่างเหรือว่าช่วงนี้ก็ก็เป็นความพยายามตั้งใจนึกถึงครูบาอาจารย์คิดว่าพอ น, นึกทุกบมัก็เปแล้วมันพอคุณน้อยพูดก็เลยลืมนึกถึงพธรูปไปเลตอนตอนที่นึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ เวียนไปเนี่ยอันนี้ตั้งใจเองเหรอือว่ามันหรือว่าเป็นไปเป็นอาการหรือเป็นไปดโดยอัตโนมัติเหมือนอัต โ, ตโนมัติคือคือคือคื อ, คอมันจะมีอ๋อพอร์นึกถึงอย่างเช่นหนวงปู ม, มั่นใจก็ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วหลวงพ่อชาก็ขึ้นมามันปิตินึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราน้ําตาเหมือนจะไหลในตอนนั้นนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคนคนที่เราบูชาว่าเออ ในใจลึกๆไม่ได้บอกตัวเองแต่ให้เป็นเหมือนท่านเข้าไปแล้วก็สติแล้วก็เดี๋ยวก็ด้วยความที่มีอารมณ์มันขึ้นมาเรื่อยๆมันก็วนมาแก็วนวนวนแล้วมันตึ๊บติ๊กของอาจารย์เลยเขาดีจบเลย้ส้อาจา้ดีใจเอ้ตอตอนที่เห็นคนรู้จักแล้วก็ล่ำลาเขาเนี่ยกู๊ดบายเขาเนี่ยเราเห็นเขาเลื่อนไป เขาเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วก็ผ่านเลยไปเลื่อนมาใช่ไม่ใช่รถนั่งเหมือนก็นั่งรถไฟผ่านเลยเนี่ยเหมือนเขามาไปใช่ใช่ใช่เหมือนมาอย่งนี้มาสี่แบบไม่มีแวะข้างทางเลยนะคือคือคือตอนนั้นเหมือนกับว่ามันรวมรวมว่ารู้ว่าคือเราไปไปนึกว่านึกไม่ไม่หมดหรอกคนที่เราดักทั้งหมดก็ตอนหลังก็เลยต้องบอกว่าคนที่นึกไม่ได้ก็ลา แต่แตแตแ ต, แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีดีมากอันไหนฮะอ๋อมันมาเองมันมาเองคือหลายอันก็ไม่มาไม่ได้ตามสคริปต์บางครั้งก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ฟังสคริปต์ที่มันมาให้นึกถึงบางทีมันไม่นึกก็มันยังอยู่กับเพื่อนอยู่ก็จะไปไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ตามสคริปต์เลยแต่ว่าถ้าจะมาก็มาแล้วสคริปต์มันมาได้ก็ไปถ้าไม่ได้ก็เฉย ไม่ไมมัน ท, ที่อาการที่กูญิงเป็นก็สบายใช่ไหมฮะอันนั้นก็ก็ดีแล้วคือมันเป็นเรื่องของแบ็คกราวแต่ละคนที่เรียกว่าน้อมไปทางไหนใช่ไหมฮะมันไม่ได้ว่าต้องต้องต้องเป็นต้องมีพระมาถึงจะถึงจะดีที่สุดนันนี่มันมเป็นแต่ว่าในขณะที่จิตจิตของเราตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมเราไม่หวั่นไหวเราตั้งมั่นเป็นกุศลไป มันสบายมากจนกระทั่งไม่แน่ใจว่าทําไมเหมือนสบายอย่างนี้นะเพราะวันนี้ผ peren ที่อาจารย์บอกว่าให้นึกถึงคนไข้ที่เราไปอะ่ะวันนี้คนไข้เจ็บหนักมากเลยแล้วเขาคลางตลอดเนี่ยนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไปใช้มุกที่ว่าให้เคยฝึกพิชาสามมา ก, กใ็ใช้มุกว่าให้เขาขึ้นไปข้างบนเลยไปนอนเฉยเลยแล้วก็จะได้ทิ้งไอ้ความเจ็บปวดนี้ไปไ ด, ได้แล้วรู้สึกว่าพอมานั่งทําเนี่ย ไอวิชานี่มันกลับมาค่ะขึ้นไปเลยไปนอนที่ไหนอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงท่านแล้วหลังจากนั้นก็สบายมากเลยถ้าไปอย่างนี้ได้เนี่ยนะไม่รู้ว่ามันจะโมหะด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ไปไปคิดนึกเอาใช่ไหมคะคือถ้าเราตายแล้วเรามีโมหะไปส่งจิตส่งใจออกจากร่างไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันมันไม่ดีใช่ไมาม大姐 ก็ถ้าตอนนั้นรู้สึกว่าขึ้นไปข้างบนใช่ไหมขึ้นไปข้างบนมันก็เป็นก็็เปนกุศลเหมือนกันนะถ้าไปตอนนั้นก็ไปสวรรค์แต่ไม่ใช่โมหะมันเขาบันที่ฟังเทศบอกว่าถ้าเผื่อมีโมหะตอนจะตายเนี่ยต้องไปเกิดเป็นจัตวเนี่ยก็เลยตกกระจายหมดเดีกีวนี้ที่ใจคือมันอยู่เป็นกุศลไงถ้าเป็นกุศลมันก็มันก็ไปมันก็ไปสุคติข้านึกถึงบุญที่ทําไว้อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปนอนข้างบนเลย ก็แปลกดีที่เป็นครั้งแรกที่นี่ทํามาเป็นหนุนที่ตั้งใจคิดหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจมันออกมาเองถ้ามันออกมาเองคือคือมันไปเองเลยแต่ว่าอาจเป็นเพราะว่าเคยฝึกมาเนี่ยมันกลับมาอีกทัง้งทั้งที่ไม่ได้ทํามา20ปีแล้วจะคล้ายๆกับคุณหญิงหน่อยนะคะพอพระท่านอาจารย์พูดก็ก็จะตามไปเรื่อยๆแล้วก็คราวนี้นี่คือพอน้า น, นี่รู้สึก หนักแล้วก็ทิ้งทิ้งเลยทิ้งแบบว่าไม่ได้คิดถึงลูกไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดมีอยู่แวบหนึ่งเท่านั้นเองว่าถึงสา ม, มแีแล้วก็บอกอก็ก็เราตายแล้วเรืออะไรสักอย่างคือคือนิดเดียวเลยแล้วก็แล้วคือความรู้สึกคือมันกาลังทิ้งแล้วก็ไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่นั่นเลยเลยนะคะก็ยังยังตกใจพอพ อ, พอท่านอาจารย์ถามเราก็บอกว่า ตายแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเออเมื่อกี้พอท่านพูดถึงว่าอะไรนะฮะให้นึกว่าเรามีสายมีระ ย, ยงระยางก็นึกถึงเด็กทาลกที่เห็นวันนี้นะฮะก็นอนนิ่งแล้วมีสายเข้าไปที่จมูกแล้วก็ <c oughs> เขาก็ขยับตัวไม่ได้ก็ก็รู้สึกออภาพตัวเองอย่างนั้นแล้วพอที่ ท่านบอกถึงความเจ็บปวดก็คล้ายๆท่านจิ๋วนะฮะก็อินมากก็เจ็บขึ้นมาเลยทั้งตัวแล้วก็แล้วก็คิดตามไปถึงว่าเออเราจะร่ำลาลูกก็เริ่มมีความอาลัยละแล้วก็เริ่มรู้สึกเป็นแบบโอ้ตายแล้วนี่เราจะจากจากลูกแล้วเนี่ยแต่ก็ตอนหลังก็เออแต่เราจะตายแล้วนะก็มานึกถึงท่านที่ว่าเราจะต้องดูว่าจิตอะไรนะเออจิตที่ทุกเนี่ย เราเป็นผู้ดูเฉยๆนะฮะกำลังพยายามมากเลยว่าเราเป็นผู้ดูนะผู้ดูนะจะพยายามแยกออกมาแล้วก็พยายามพยายามมองให้เห็นว่ า, าร่างกายเนี่ย อ, อะไรนะคล้ายๆว่าไม่น่าเป็นไม่น่าเอาแล้วนะฮะอพอดียังไม่ทันสําเร็จก็เปิดไฟก่อนในช่วงที่อ๋อในช่วงที่ทิ้งจังหวะเงียบๆยนี่ก็กำลังกําลังพยายามยายามปล่อยวางอยู่พยายามปล่อยวางอยู่ เขายังรู้สึกไปไม่ถึงไหนไม่เคยทำมาก่อนค่ะเพิ่งมาหนแรกก็พยายามจะ f อ l โล w ที่ท่านอาจารย์พูดทุกอย่างก็นึกถึงคนไข้วันนี้เขาก็เจ็บมากเลยแล้วเขาก็อายุน้อยกว่าเรานะแล้วเขาเจ็บแล้วก็นึกถึงความเจ็บของเขา นึกถึงหน้าเขาท่าทางเขาเสียงคลางเขาแต่เราก็ไม่ได้เจ็บจริงๆอะค่ะคือพยายามเอาความเจ็บมาใส่ก็ไม่รู้สึกทีนี้พอท่านอาจารย์พูดเรื่องสัมผัส ต, ต่างๆที่บอกว่าตาเริ่มไม่เห็นก็นึกไปถึงเพื่อนที่เป็นมะเร็งและตอนเขาจะตายเขาเคยบอกว่าเออประตูนี่มันเบี้ยวจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปลอบใจเขาบอกว่า เออใช่ฉันก็เห็นเปรี้ยวเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องมาเอาใจฉันคือเขาเขารู้ตัวเขาอะค่ะเราก็อยากจะปลอบเขาก็ไปนึกถึงเขาพอท่านอาจารย์พูดว่าร่างกายมันเย็นเย็นขึ้นมาจากข้างล่างก็นึกถึงคุณแม่ตอนที่จะเสียเนี่ยค่ะจับเท้าขึ้นมาเราลูกไปเ ย, เย็นมากเลยค่อยคเย็นเย็นเย็นขึ้นมาคือเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะ ไอ้สัญญาเก่าไม่ใช่สัญญาภาพเก่ามันมันผุดต่างที่ท่านอาจารย์พูดอะคา่ะแต่แปลกมากไม่ได้นึกถึงลูกไม่ได้นึกถึง <c oughs> สามีไม่ได้นึกถึงใครเลยนึกถึงว่าเราจะตายแล้วจะต้องนึกถึงสิ่งดีๆที่เราทำมาก็นึกถึงรูปพระพุทธรูปของท่านจิ๋วเหมือนกันเพราะเป็นสีขาวและเห็นรูปสวยซึ่งก็เคยสร้างที่อื่นแต่ก็ไม่ประทับใจเท่าอันนี้เพราะว่ามีรูปโสการ์ดแล้วก็ ทำบุญไปเพิ่งทำไปก็นึกถึงว่าเราเคยไปทำบุญทำกุศลอะไรก็อันนี้พยายามนึกเองอะค่ะนึกแล้วก็ก็ปิติดีว่าเออเราก็ตั้งใจทำดีมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากพอท่านอาจารย์หยุดก็เออตายก็ตายถึงเวลาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เองก็ก็ไม่คิดอะไรบอกเล็สโกไปอะไรจะเป็นก็เป็นคิดงนี้แล้วก็ สบายดีค่ะเป็นถามท่านอาจารย์นะคะถ้าตอนนั้นเราน้ อ, นอมใจเนี่ยน้อมจิตว่าเออเรามุ่งแดนนิพพานอะไรอย่างเงี้ยที่มีครูบามีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จแล้วอย่างนั้นจะได้ั้ยคะเราน้อมนึกเป็นอะไรเป็นคำ เป็นเป็นความรู้สึกอคะค่ะไม่ได้เป็นคาค่ะเป็นความรู้สึกแล้วก็ก็ ก, ก็ก็ดีถ้าเราน้อมที่ตรงนั้นเราจิตเราตั้งมาอยู่ตรงนั้นเนี่ ย, ยไม่บอกแวกก็ก็จะไปสุขติ ม, มีใครที่รู้สึกว่าถ้าวันนี้ตายยังไม่พร้อมเลยะะไหมคะหลายท่านอยู่นะคะค่ะ เต้นไหนเร็วคือ <c oughs> วันนี้เต้นคิดว่าแบบจิตใจแบบมันฟุ้งซ่านนะคะหลังจากที่ไปโรงพยาบาลแต่ก็แบบคิดคิดมากเหมือนกันแบบไปเจอผู้ป่วยแล้วไม่ใช่เจอคนเดียวที่เราไปคุยด้วยเพรามันแบบเห็นเยอะมากเงี้ยคะ่ะก็แบบตอนแบบเมื่อกี้หลับตาก็แบบนึกถึง ผู้ป่วยเพราะว่าเขาแบบแบบเขาปวดทั้งตัวจริงๆแล้วเขาขยับตัวไม่ได้เลยคือเหมือนกับจิตใจเขาถูกขังอยู่ในกลางของเขาจริงๆจึนก็แบบพยายามหนึกดูแต่ว่ามันแบบจิตใจมันฟงสั้นมันมีอะไรหลายอย่างจึงก็กลัวขอบกลัวอะไรนะกลัวผอเหรอกลัวกลัวเรากลัวเราเป็นผีหรือยังไง กลัวผาไม่พร้อมมีความกลัวใช่ไมกลัวหลายอย่างจะกลัวตายหมกลัวเมื่อกี้ก็กลัวตรงไหนะที่หายมตรงไหนที่รู้สึกว่ากลัวตายขึ้นมาตอนที่พุ่นตรงไหนต้องพัดพลากจากคนที่แบบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยด้วยคะเราอยู่คนเดียวกลางดึกใช่มกลาดกใช่เห็นภาพเลยใช่ไเห็นภาพเลยใช่มะ ไม่เป็นไรหรอกก็ทำบ่อยๆก็จะจะเชี่ยวชาญคล่องแคล่วจะชินมากขึ้นเท่าไหร่นี่ยสิบห้าสิบห้าลูกลูกลูกนั่นลูกลูกนั่นอยูที่อยู่ที่ผัดใหญ่ ที่ชิ้นใหม่แล้วก็จำไม่ได้แต่ก็โอเคโอเคนะยกก็สมูทไปกับกิจกรรมมากับแม่ก็ตอนแรกเห็นว่าก็กลัวว่าจะอยู่ไม่ตลอดในซําไปแต่ก็อยู่ได้ตลอดครบสามวันก็ออดิสเปตดีถ้าหนึ่นมีไหมคะที่รู้สึกว่ามีบางอย่างเป็นช่วงที่พระอาจารย์พูดแล้วมันมีจุดติดขัดบางเรื่องไห นึกถึงคนที่ เ, ทเราลากว่าเราจะจากเข้าไปแล้วไม่ได้พบอีกนะฮะเดนไม่คิดว่าพอท่านอาจารย์พูดเราถึงได้คิดว่าอ่ะออจะไม่ได้พบอีกแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะมันอ่ามันมันมันกลับไม่ค่อยดีว่าเราดึงมันขึ้นมาคิดนะฮะแต่ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าเผือว่าไม่ถ้าสมมุติว่าท่านอาจารย์ไม่ได้บอกให้ดึงขึ้นมาคิดเนี่ย มันจะสมูทแหละมันจะอยู่กับไอตัวรู้นี่ไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าพอพอดึงขึ้นมาคิดว่ามันจะมันก็เริ่มตั้งคําถามเพิ่มแล้วมันจะไม่เจออีกแล้วมันจะเป็นยังไงเลยกนิดเดียวคือมันที่พนันาเนี่ยมันจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับจิตใจรวมทั้งแวบความคิดถึงคนที่เรารักมันจะมีแวบขึ้นมาใช่ไหมบางคนแวบแล้วมันก็หายไปแต่บางคนแวบแล้วมันตามติดไปเลย อาการที่เมื่อกี้พูดเนี่ยเรื่องทุกขเวทนาก็อันหนึ่งใช่ไหมทางกายแล้วก็เรื่องอาการทางใจคือที่ไลฟ์รีวิวมันจะมีมาตรงนี้แหละมันจะมาทั้งบวกทั้งลบเนี่ยแต่จะมาตัดเรื่องตัดเรื่องบวกไปบ้างเพราะว่าเวลามีน้อยก็เอาเฉพาะเรื่องลบๆก็ดูว่าเรามีใจของเราเป็นยังไงเมื่อเจอเรื่องภาพเก่าๆที่มันเป็นลบแต่ปกติมันจะมีไลฟ์รีวิวจริงๆสําหรับทุกคนเลยเป็นส่วนใหญ่ บางทีมันเร็วมากพรุ่งเดียวบางทีบางคนที่มันเป็นเรื่องเนี่ยคือเขาทำเคยมีคนทำวิจัยเรื่อง near death experience เนี่ย คนที่รอดมาได้เนี่ยก็จะพูดว่าเจอเนี่ยจำนวนมากเปอร์เซนต์มากและที่รอดทิพที่ไม่รอดกลับมาเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะเนี่ยมารีวมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเยอะเราอาจจะไม่บอกไม่สามารถบอกเป็นเปอร์เซนต์ได้แต่ที่ที่รอดมาได้แล้วพูดเนี่ยมันเยอะหลายเปอร์เซนต์ไม่ แต่เขาเป็นคนสปิริตชัลจากการประสบการณ์เขาเนี่ยจากการประสบการณ์ที่เขาได้เกี่ยวข้องคนไข้ความที่เขาเป็นคนมีมนุียธรรมเนี่ยมันก็เริ่มทำให้เขาลึกขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ท ร, ราบว่ามีเยอะมากเลยเ อ, อ๋อนั้นเล่มแรกๆเลยตอนหลังที่มาตาย d e a as the Ale d e a as the Final Stage of Growth ก็มี อยากจะขอเติมเรื่องไลฟ์รีวิวนิดหนึ่งว่าตามความเข้าใจตมาเหมือนกับอย่างที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพุทธเทพท่านก็จะพูดว่าตอนช่วงที่จะตายเนี่ยมันขึ้นเหมือนกับขึ้นตาช่างวัดกันว่าไอ้กรรมที่เราทํามาเนี่ยมันจะหนักข้างไหนคือตมาก็ติดความแล้วก็ฟังจากครูบาอาจารย์ตามความเข้าใจตมาเมื่อก็คือไอ้ตัวไลฟ์รีวิวนี่แหละและตัวจิตของเรานเองที่จะไปตัดสินตัวเราเองไม่ใช่คนอื่น คือพอเราเห็นไอสิ่งที่ไม่ดีที่เราทําใจเรามันก็หดหูพอสิ่งที่ดีเป็นกุศลใจเราก็ขึ้นเนะี่ยมันก็ขึ้นช่างกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี้แล้วตัวผลรวมมานี่แหละไอตัวความความหดหู่หรือว่าความความปิติกับไอสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตัวชี้วัดในความในความรู้สึกมันอันนี้คือตามหลักของกรรมและด้วยความที่จิตมันทํางานไวมากนะตามหลักพิธามที่บอกว่า อ่ะชั่วรัสนิ้วมือเดี๋ยวนี้มันแสนโกดตวงเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่มันก็ภาพที่ ท, ที่ที่มันย้อนกลับมาเนี่ยมันจะไหวมากคิดว่าตัวนั้นแหละเป็นตัวตัวที่ที่ที่บอกอกรรมที่เราทำมาคือ คือถ้าเราถ้าเรารู้สึกผิดเรารู้สึกโกรธมันก็จะไปจมอยู่กับอากภาพเหล่านั้นโกรธโมโหแต่ถ้าเราคึกว่าเราเราไม่ถูกกลัวใครเราเห็นภาพคนที่เคยทำร้ายเรามันก็ผ่านหมือนั่งรถทัวรถถว์นั่งรถไฟผ่านอะไรเงี้ยน่ะอ่ะคันนี้คือทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการเก็เป็นเป็นเครื่องมือในการที่เรามาสำรวจจิตใจของเราว่าเรามีอะไรที่ติดขัดตรงไหนบ้างอันนี้สําหรับคนที่เริ่มมีสมาธิดีนะถ้ามีสมาธิดีเนี่ยพอพูดไปแล้วเนี่ย ถ้ามันติดขาตรงไหนเนี่ยมันจะมันจะแช่อยู่นั่นแหละมันจะไม่ปล่อยไม่ไปเใช่ไหมมันจะมันจะปรุงแต่งต่อไปเลยเช่นเรายังนึกถึงลูกเนี่ยก็ยังปรุงไปเรื่อยถึงลูกไม่ยอมมันก็ไม่ไปต่อแต่ถ้าเส้นเราไม่มีอะไรกับลูกมันก็ไปเรื่อยมันก็เรานั่งรถผ่านสถานสถานรถไฟผ่านเรื่อยผ่านผ่านผ่านอันนี้มันก็เป็นเครื่องมือในการดูสังเกตจิตใจของเราว่าเรามีอะไรที่ยังติดอยู่บ้าง ถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิดีนะถ้าไม่มีสมาธิดีมันก็มันก็ไม่อินมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดอะไรก็ก็เรียกว่าเราก็สือปล่อยปล่อยไปเยอะแล้วแล้วเป็นไง ตอนตอนที่ท่านให้นึกถึงคนที่ทําไม่ดีกับเราเนี่ย <c oughs> นึกถึงคนเออที่ทําให้เราเสียเอ อ, อะไรอ่ะอะ่เป็นเป็นลูกหนี้ของพ่อกับแม่ซึ่งเป็นเพื่อนรักแล้วพอพ่อกับแม่เสียเนี่ยเขาก็แบบ <c oughs> เบี้ยวเลยหลายคนด้วยแล้วเป็นเพื่อนรักทั้งนั้น <c oughs> แล้วเราก็แบบแบบมันกระทุกจากที่พ่อกับแม่เสียแล้วเนี่ย แล้วยังเหมือนกับโดนเขาซ้ําเติมแล้วต้องไปขึ้นศาลแล้วจะต้องไปแบบคือต้องถึงขนาดต้องทาน <c oughs> ยาระงับประสาบเวลาจะไปขึ้นศาลจงคนบอกเพื่อนบอกเฮ้ยใครเป็นโจทย์ใครเป็นจําเลยเนี <c oughs> ่ยพราะเรารับไม่ได้เลยแบบต้องทานยาอะขอหมอเลยแบบแบบไม่งั้น <c oughs> ขึ้นศาลไม่ได้อะไรเงี้ยมันกลับมาแต่ว่ามันผ่านไปเลยโดยที่เมื่อวเมื่อกี้มานะ เออราผิดหรือเปล่าที่ผ่านไปเลยเราน่าจะต้องอโหสิหรือเปล่าแต่แบบนึกนึ ก, นกพอท่านพูดปุ๊บนึกถึงเลยแต่มันผ่านไปเลยโดยที่เราไม่ได้อโหสิด้วยอันนี้มันยังค้างไหมฮะจริ ง, จรงใจคงอโหสิไปแล้วแนหะไม่งั้นไม่ผ่านหรอกยังไม่อโหสิอ่ะยังไม่อโหสิอ่ะยังยังพยายามอยู่เจ้าค่ะแบบมันมันไม่ได้เสียดายเงินแล้ว ก, ก็ก็ต้องแต่ <ทำ S 1> ว่ามันเป็นอะไรที่มัน มันเสียใจอเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกว่าโอ้โหแบบอือเขาทํากับเราได้ยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเมื่อกี้มานั่งนึกเออเราไม่เราลืมโอ้โหเสียเพราะว่านึกถึงปุ๊บแล้วก็ผ่านก็ดีชนะแต่ไม่เคยได้เงินคืนเลย <c oughs> ฮะเข า, เขาไม่รู้มีหมายจับในกระเป๋าก็ไม่เคยเจอเขาอ่ะจะไปชี้ตัวจ <c oughs> ับ แล้วถ้าเปรียบเทียบวิธีการของท่านข่าวที่แล้วนะคะกับคราวนี้เนี่ยท่านตั้งใจอะไรคะคราวที่แล้วตา่านมาแนะนว่าควรทําวางใจยังไงค่ะใช่อันนี้ไม่นําเพราะว่าให้ทำเองให้ฝึกมาให้เราดูให้เราดูว่าปฏิกริยาของใจเป็นยังไงหนึ่งเราติดอะไรไหมสอเมื่อเราติดเราใช้วิธีการอย่างไรเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของสองครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะให้เราดูว่าเราเราใช้วิธีการอย่างไร ซึ่งก็เห็นความแตกต่างใช่ไหมฮ ะ, ะแบบข อ, อ, องวุ้นหญิงกับของของพัดจิ๋วหรือของอ้อยเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันก็สืบเรื่อง ม, มาจาัด ก, การที่ท่านนําครั้งสุดท้ายโน้นด้วยใช่ไหมคะถึงครั้งนั้นเนี่ยมันนําให้มาถึงครั้งนี้แบบคือเดนจะพยายามเข้าใจว่าที่ตัวเองสบายได้อย่างนี้แล้วรู้สึกไม่กดเกี่ยวกับอะไรแล้วมันอยู่กับ ธรรมชาติของการรู้ได้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเคยฝึกครั้งนั้นมาหรือเปล่าคือถ้าเคยฝึกมาแล้วก็ฝึกอยู่เรื่อยๆมันก็จะช่วยทําให้ออเอ็กซ์เซอร์ซายนี่มันง่ายขึ้นใช่ไหมฮะเพราะคราวนี้ไม่บอกอะไรเลยเรียกว่าเรียกวออกไปออกไปออกไปแก้ปัญหาคนนั้นเองก็จะแล้วก็จะได้เห็นว่าใจของเราเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วแล้วก็ แก้ปัญหาอย่างไรอย่างเช่นอยู่ดีก็นึกถึงพระธูรขึ้นมาเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ามันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสุดใจของเราหรือว่าเราก็น้อมนึกถึงไปถึงอ่าสวรรค์อะไรข้างบนเบื้องหน้าแล้วใจเราไปรยุกต์นั้นเนี่ยแม้จะเป็นความตั้งใจแต่ก็เป็นการก็เป็นปฏิกิริยาของใจที่มันออกมาเพื่อที่จะ h a เด l e กับปัญหาที่เกิดอาการที่เกิดขึ้น ก็ก็เป็นก็ทําให้เรารู้รู้รู้วิธีของตัวเองมากขึ้นแล้วเราควรจะไปนั่งมองพระพุทธ ร, รูปอีกเยอะๆาาไหฮะเพื่อแบบจะได้เผล่ขึ้นมาไม่จำเป็นไม่จำเป็น <c oughs> เพราะที่ถ้าคุณหญิงรู้สึกอย่า ง, งั้นแล้วสบายเนี่ยซึ่งอาจมาก็คิดว่าดีนะเพราะว่าเออเป็นเรียกว่ามีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องมีนิมิตขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ละคนมีวิธีการไม่เหมือนกัน ลาใครแล้วก็ไม่ได้ขอบคุณใครด้วยซ้ำเพราะหลังจากอบรมอยู่ที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับป้านความจริงได้เพื่อนเ่อคิดว่าเราป้าบายแล้วด้วยซ้ําแล้วก็ไปขอบคนนึงพราะเราก็กลัวมไม่มีเวลาเลยก็ไปขอกเพื่อนว่าเป็นขอบคุณที่เป็นเพื่อนของเขาแล้วก็เขาได้อยู่ในชีวิตของเราทำเซรหมดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็วิวต้องทําจบทุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคงจะเกี่ยวข้องกับอย่างนี้ มันไม่มีน้ำใจอะมันเป็นคนอายุ ก, กับเฝ้าออกจากบ้านไปก็ไปเลยไม่ได้ลาใครสัตว์ดูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยก็ดีแล้วนะคือถ้ารู้สึกแล้ึกบรรผ่านไปเรื่อยไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยก็หมานกับว่ากําลังวิ่งกำลังไปสู่จุดหมายปลายทางแบบอย่างราบรื่นถ้าเกิดแวะกลางทางนี่หรือว่าแวะแล้วไม่ไปต่อเนี่ยแสดงว่าต้องต้องฝึกให้มากขึ้นอีกหน่อยแสดว่ายังมีความติดข้างอยู่ในบางเรื่อง หรือในบางกับบางคนแล้วก็มองเห็นทิวัตตามาแล้วเหม็นทิวัตามาเจริงรู้เปล่าก็ไม่รู้่เพราะว่าอาจารย์บอกว่าลึกถึงวันนี้อก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าเราบอกคนไข้บอกว่าทวัตจะมาแล้วแล้วเขาอยู่ตรงไหนก็าบอกทวัตเต็มหมดเลยแล้วเราก็คิดไว้ว่ามั็นทวัตเต็มหมดเลย ก็ไม่ทราบว่าเป็นมาเจิงนู้นรู้ก็กลับไปที่โรงพยาบาลไงค่ะค่ะพอดีรู้สึกมันสบายมากอะฮะแล้วก็แต่ตอนที่ตอนที่คิดว่าก็พยายามนึกว่าทำไมตัวเองถึงสบายอย่างนี้นะคะเออก่อนที่จะ มาทำกิจกรรมเนี่ยเต้นเขาก็พูดถึงว่าคือคือตอนที่เข้าบ้านไปเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าใช้ Energy เยอะมากเลยในการที่ไปให้ความสำราญนะคะแล้วก็ทำซึ่งเต้นก็ยังพูดบอกว่าแม่แบบสดชื่นมากอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทำกับเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เรายังไม่รู้เลยเพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกเลยนะคะเพราะเขาผ่าตัดหกหกครั้งนตอนที่จะเดินออกมาจากบ้านเนี่ยเต้นก็บอกว่าแม่รู้สึกนึกถึงคนไข้เนี่ยค่ะพี่พี่วลีรัตเนี่ยที่ว่าเขาถูกขังอยู่ในความไม่รู้สึกในร่างกายเลยนะคะทีนี้พอมาถึงแล้วก็พระอาจารย์ให้ทำกิจกรรมเนี่ยแล้วมันคงใช้อนิคือชอบคิดหาเหตุผลน ะ, นะคะ แล้วพอลงนอนและให้นึกถึงคนไข้ของเราเนี่ยมันก็มีอารมณ์ความรู้สึกอันอันรู้สึกสลดสังเวชอันนั้นนะคะว่าในภาวะที่มันถูกขังอยู่ในร่างกายอันนั้นนะคะแล้วก็มาเหมือนพระจิ๋วตรงที่ว่าอยู่คนเดียวตอนกลางคืนเนี่ยโหมันเป็นภาวะที่ใจหายแต่พอหลังจากนั้นเนี่ย มันสบายแล้วคิดว่าคงมีหลับไปตรงกลางกลางนะคะเพราะหลายคนบอกตรงนั้นตรงนี้ทาไมเราไม่ได้ยินทีนี้ก็มาก็มายังมีคืนชีพมาใหม่นะคะแล้วก็พอถึงตรงนึงก็บอกว่าให้ให้ลาหรืออะไรคนที่รักหรืออะไรก็ไม่ทราบก็เป็นเยเต้นเนี่ยมาจับมือก็เลยรู้สึกว่าเต้นแม่ก็ลาแล้วนะอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าไม่มันสบายไปหมดจนเรารู้สึกมีปมยุติเหรอรู้สึกว่าไม่เท่าเพื่อนแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าพระอาจารย์สอนมาแล้วทำางนมันหลับอะไรองนี <c> ้ <oughs> แต่แต่มันสบายมา ก, ก น, นะคะวันนี้เกี <c oughs> ่ยวไหมคะว่าเราได้ใช้ energy <c oughs> ไปแล้วเรามีความสลดสังเวชมีความรู้สึกว่ามันมันทุกข์อะ <c oughs> ไปมันก็น่าจะสบายแล้วก็มี วันนี้ท่านก็เสียงไพเราะมากเลยรู้สึกทุกทีท่านเทศก็ไม่ได้เสียงอย่างนี้นะคะแล้วรูเสยงเครื่องเสียงที่นนมั้งรู้สึกว่าโอ้โหมันสบาย แต่ตอนนั้นไม่มีใช่ไหมตอนนั้นไม่มีใช่ไหมอ่าไม่ไม่ไม่ที่เมื่อกี้ทํานี่ไม่มีกิวตี้เลยใช่ไหมอ๋อไม่มีอืมอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราสูว่าอยากเป็นแม่ที่ดีมันต้องมีความกิวตี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเป็นกับดักความติดดีของแม่อ่าอ่าก็ใช่ไงแต่ต้องระวังมันจะเป็นกับดักของความเป็นแม่ที่ คิดว่าแม่ที่ดีต้องรักลูกแม่ก็ทั้งในวาระสุดท้ายอย่างนี้เนี่ยบางทีมันต้องปล่อยมันแล้วแต่คนหลับเหรออ๋อ ยากอยากจะอพอพูดไปแล้วก็นึกขึ้นได้อะฮะว่าตัวเองปอยไปในช่วงไหนคือหลังจากที่ท่านพระอาจารย์พูดคำว่าคือจำได้ว่าท่านให้ทิ้งตัวนะคะอันนั้นนะฮะก็ทิ้งเต็มที่เลยแล้วก็ปล่อยแบบชนิดที่ว่าเออร่างกายนี้อะไรนี้เนี่ยสังขารเนี่ยมันมันหมดสภาพละ เราไปละเราจะไปละมันหมดสภาพเราคืนให้กับธรรมชาติไปในเวลานั้นรู้สึกอย่างนั้นน่ยคืนจริงๆอยากคืนจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าตอนพระอาจารย์เทศเรื่องเรื่องกายให้เรารู้สึกว่ากายใจเนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะเออสิ่งนี้เนี่ยได้พิจารณาอยู่เป็นประจำในเรื่องของกายเนี่ยว่ามันมันเป็นธาตุสี่วันหนึ่งมันก็กลับคืนเป็นดินน้าลมไฟเนี่ย แต่พอคิดถึงใจทีททไรนะฮะพระอาจารย์คะมันนึกไม่ออกว่ามันจะปล่อยใจยังไงแต่กายเนี่อลารู้สึกอย่างเมื่อกี้มันปล่อยรู้สึกมันปลดปล่อยได้แล้วก็ลืมนึกไปถึงใจเลยว่าเอ๊ะใจเราจะไปไหนซึ่งเราเราเคยเราเคย question mark ตัวนี้อยู่เรื่อยๆแต่เมื่อกี้เนี่ยมันปล่อยไปอย่างนั้นเลยอะค่ะ mm hmm. น ะ, ะ, ะก็เลยไอ้ตรงที่บอกว่าให้ทิ้งตัวแล้วให้มันทิ้งเนี่ย เราก็นึกไปว่า เ, าเราคืนให้แบบธรรมชาติไปเราไปแล้วเงี่ยเนี่ ย, ยมันไปตอนนั้นนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นที่พูดกันว่าให้ทำอะไรเนี่ยนะไม่ดูเรื่องเลยเขาไม่ทราบว่าอะไรนะครับ <c oughs> มาทบทวนดูนะคะหลังจากที่ทิ้งร่างบอกให้ทิ้งเนี่ยท่นก็ทิ้งเต็มที่เลย แล้วก็ต่อไปก็บอกว่านี่อยู่คนเดียวนะกลางดึกไม่มีใครเลยอยู่รอบๆในขณะนั้นน่ะก็เลยบอกไม่เป็นไรฉันพึ่งตัวเองนี่ลหละแล้วก็หันสมาธิเข้าไปที่จิตตัวเองหลังจากนั้นก็ปล่อยไปเลยจบแค่นั้นบอกว่านั้นไม่เป็นไรฉันก็พึ่งตัวของฉันเองนี่ลหละอยู่กับตัวของฉันนี่ลหละ แล้วก็รู้สึกว่า attention turn inwards แล้วก็จบแค่นั้ น, ปนแปลกมากนะค่ะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นี้ไหะอะไรคะเคยมีประสบการณ์นี้หรือเปล่าประสบการณ์มันที่เคยมีไหมเคยครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะที่บอกว่าให้หัวใจหยุดนะคะดีๆหัวใจหยุดหมายความว่าตอนนั้นนอนเจ็บอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ รู้สึกหัวใจมันเต้นช้าก็ที ท, ท, ท, ท, ทีทีทีแล้วก็หยุดแล้วตอนนั้นก็เลยอธิษฐานบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากตายเพราะยังสาวมากขออยู่ต่อเพื่อลูกและเพื่อจะทําประโยชน์ในขณะนั้นก็รู้สึกหัวใจตุกบเจ้ขึ้นมาใหม่แต่แปลกมากเพราะปกติไม่ใช่คนหลับ ง, ง่ายๆนะครับนานมากเพื่อจะหลับ แล้วทำไมามันหายไปอย่างนั้นก็ไม่ทราบครับเข้าสู่ความเป็นหนึ่งไปเลยเ <c oughs> ข้าไปสู่พบหนึ่งไปแล้วเพราะใจหายมันมีความรู้สึกเหมือนอะไรก็นึกไม่ออกแต่ไม่คิดนึกไม่แน่ใจกับคำนี้จะแจ่มันโหวงมันมันโงนแล้วก็ มันไม่ได้ว่างแบบว่าสบายแบบสมาธิแต่มันโงงมันมันคว้างบางอย่างแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไอย่าี้เพราะว่าแม้กระทั่งเสร็จแล้วเนี่ยมันยังอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่เลยไปฆ่าการแบบมันยังค ง, งอยูอยใ่ในในในในตัวยังไม่หายต้องต้องอยู่สักพักถึงถึงจะอธิบายได้ถูก เห็นเห็นวันแรกมีหลายท่านบอกว่ากลัวว่าเวลาจะตายแล้วเนี่ยเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยไม่รู้ว่าจะจะเอาอยู่ไหมเนี่ยตอนเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดถึงตอนที่ร่างกายมันเริ่มขยับได้ยากเจ็บไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเนี่ยจัดการกับมันยังไงนะคะมีใครพอจะแบ่งปันได้ไหมคะอันนี้ของคุณโมนิกาใช่ไหมคะค่ะ ท่านอื่นแค่ที่คิดว่าตอนแรกว่ากลัวเรื่องนี้ค่ะแล้วพอเจอจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเรื่องนี้ผ่านไปเลยหรือว่ายังไงคะคือวันนี้ตอนที่ที่ไป เ, เห็นคุณยายนอนน่ยนะคะแล้วก็คิดว่าคุณยาคงจะเจ็บมากเพราะว่าคอก็แห้งเพราะว่าสอดท่อเข้าไปแล้วก็นอน อ, ยอายุเก้าสิบกว่าแนละ้วแล้วตอนที่ท่านท่านจิ๋วบอกว่าเราแผ่เมตตาให้เนี่ยใจเราก็ คือคือลึกๆเนี่ยเราก็แผ่ไม่ตาแต่เราก็คิดว่าขอให้คุณยายไปสบายเถอะคือคือเหมือนกับทรมานจังเลยอยู่อย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าที่ที่เห็นเนี่ยคือว่าวันหนึ่งเนี่ยก็เป็นเราก็ก็จะแก่แล้วก็จะนอนเจ็บล้วก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกณตรงนั้นเนี่ยคือตายดีกว่าเพราะฉะนั้นพอท่านอาจารย์พูดว่ามันมันเจ็บแล้วมันก็หนักแล้วมันก็ คือมือไม้เนี่ยมันหนักไปหมดเลยตัวหนักแล้วก็ทิ้งแล้วเราก็คือมันคือภาพที่เห็นคุณยายแบบนี้นะคะแล้วเราก็บอกว่า ม, ม, ม, มันไม่ใช่อ่ะแล้วเราก็ไปเลยก็ก็ทิ้งไปเลยค่ะที่จริงที่แล้วเราก็ทำอีกเซสชั่นนี้นะคะ <c oughs> ก็ลืมหมดแล้วลืมไปเลย พอมานั่งคืนกอ้าวเรอะทำอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่จําได้ขึ้นมาว่าปีที่แล้วกลัวตอนที่เอาผ้าคลุมแล้วจะกลัวแล้วก็จะแบบสับสนอะไรเงี้ยมาคราวนี้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกเออสบายอย่าหลับนะอย่าหลับนะอะไรเงี้ยรู้สึกบอกตัวเองนะคะก็สบายแต่ก็ยุ่งกัดใช่ไหมก็บอกให้เวทนาก็เวทนาเอาอเขาเจ็บเรารู้สึกยุ่งกัดก็ก็เอาเอาเอาเยุ่งก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็แต่สบายมากอะทาไมทุกคนพูดเหมือนกัน ว, ว่าสบายมากอะนะคะแล้วเมื่อบ่ายนี้ไม่ได้นอนบ้างนะ <c oughs> ก็ฟังท่านอาจารย์ก็ก็ฟังก็ชักจะเคลิมเคลบอกไม่ได้นะเนี่ยใครแม็กซ์นี่หลับไปได้นะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะแต่ก็หายไปเลยค่ะไม่ไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ได้อะไรแล้วก็หลับแล้วก็แบบสบายมากแล้วก็เอาเขาตื่นกันเลยตื่นขนึ้นมา <c oughs> <c oughs> คิดว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยอยากจะให้ทําในที่ที่อย่างเช่นเป็นห้องแอร์ห้องแอรนน์หนาวหนาวไอหนาวเพราะว่าคืออยากจะรู้ว่าไอใจของเราเนี่ยมันจะยิงย่างนิ่งได้ไหมมันคือมันจะมีสิ่งรบกวนจิตใจเนี่ยที่ทำให้จิตใจเราไม่นิ่งแล้วเราจะผ่านเลยไปได้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันจะสมูทไหมอันตรายอยากอยากคือถ้าถ้าจะฝึกขั้นหนึต ง, ตงต้องต้องแบบเนี้ยต้องมีฮะไม่ใช่ ฮะห้องแอร์เลยห้องแอร์เลยอ่าแต่ว่านี่นี่เราผ่านนี่มันเพิ่งทําอยู่ๆก็คงจะเดี๋ยวจะต้องทําต้องทำเราสักพักล้วก็ทําใหม่ให้มันให้มันเป็นเป็นสคริปต์ใหม่แล้วก็ในที่ที่หนาวๆแล้วก็ดูด้วว่าเรายังจะผ่านไปได้ไหม ก็เนี่ยเราลึกถึงเราก็ซ้อมตายไงแล้วก็นึกถึงคนที่เรารักแล้วถ้าเราถ้าเราอินไปกับมันมากเนี่ยอารมณ์มันจะมีอารมณ์ทํามไม่ใช่แค่ความคิดมันจะมีความรู้สึกอารมณ์อะไรหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยก็จะออกมา ลเลยทำทุกคืนเลยเหรอ ต้องทำาบ่อยต้องซ้อมไบ่อยเออเวลาเราซ้อมเนี่ยเราจะไม่เห็นไอ้ภาพของชีวิตที่มันมวนมาเหมือนหนังอะ่ะนะทำยังไงเราถึงจะไปครีเอทไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ที่อย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราแฟคชพิสได้ค่ะไม่ให้มีไลฟ์รีวิวเหรอฮะมันมันก็ยามกันนะเพราะว่าจิตมัน มันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันพอมันจะดับนี่มันก็คายมันคายหมดมันไม่เห็นอะไรคือมันไม่กลับมาให้เห็นเลยค่ะมันเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันมันไม่เห็นอะไรย้อนกลับมาที่เป็นขาาั้ดในสโกเลย ก, ก็ก็ไม่เห็นแต่ว่าเวลาอาตมาพูดเนี่ยแล้วใจเราสะดุดตรงไหนหรือเปล่าถ้าใจเราไม่สะดุดตรงไหนก็แสดงว่าไม่สะดุดก็แสดงว่าน่าจะปล่อยวางได้มากขึ้นแล้ว แต่ว่าจริงไลฟ์รีวิวจริงมันจะไม่ใช่แค่คำนะมันเป็นภาพชัดๆเด่นๆเลยถ้าถ้าเราถ้าเราหลุดจริงๆเนี่ยมันก็มันก็จะผ่านผ่านผ่านผ่านแต่ถ้าเรายังมีติดข้างคาใจมันก็จะสะดุดแล้วก็จะไปคล่องไว้อยู่ตรงนั้นแหล ะ, ค, ะคือเวลาสมาบุตตอนทำสมาธิพอจิตมันเป็นสมาธิเนี่ย ภาพเก่าๆจะกลับมาแต่มันไม่ใช่เป็นภาพแบบเป็นสายหนังยาวเนี่ยมันจะเป็นแฝบบเป็นนึกถึงตอนอายุสองสามขวบนี่ออกมาแฝบดบแฝบดบออกมาเนยมันมก็จิตมันคายออกมาแต่มันจะไม่ใช่ออกมาเป็นเป็นเป็นสายอย่างที่มีคนเข้าที่บายมันจะมาเป็นไม่ใช่เป็นสายมาแบบท่วมท้นเลย ก็ไม่แน่ไม่แน่ใช่ดิลองลองฝึกซ้อมตายเงี่ยแล้วก็ค่อยๆสแกนไปเรื่อยๆล้ว ต, ติดตรงไหนเรื่องรูปเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือเรื่องความเจ็บความปวดเรื่องอะไรเนี่ยหรือแม้กระที่ที่เทตมาสุดใช้ได้ผลนะคือช่วงที่เรากำลังสบายๆแล้วเรานึกถึงตรงนี้แวะขึ้นมาเช่นตมาพูดถึงเรื่องกลางนั่งรถเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีรถมาชนตูมเนี่ยไอ้ช่วงนั้นเนี่ยหรือว่านั่งลิบแล้วก็ลิฟมันขาดผึ่งเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันมันแวะถึงอะไร มันกำ เ, เพลินๆนะพอรับตรงนี้ผมมันจมันมันสะดุ้งขึ้ น, ม, ม, น, ม, ม, น, ม, ม, นมามนเลยถ้าเกิดเราไม่เราไม่ไม่เตรียมใจบ่อยๆของของของโยมเกือบลืมแล้วตอนแรกอ๋อคือคือของอาตมาของโยมเฉยคืออาตมามีวิธีฝึกของตัวเองอันหนึ่งที่ ที่ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยในเรื่องไลฟ์รีวิวนี่หรือเปล่าแต่ว่ามีความรู้สึกแวววของตัวเองนี่มันภาพมันขึ้นมาชัดเพราะว่าทุกวันเนี่ยอันหนึ่งที่ฝึกก็จะทำก่อนนอนจะทำเหมือนกับ chronology ไล์วันนี้เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเรามีอะไรบ้างใช่ใชแต่ทำทุกวันไงี่ทอเหมือนเหมือนดูหนังอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเรามานั่งสมาธิที่นี่แล้วก็ตอนบบนั้นเราทำอะไรทาไมก็เหมือนดูหนังไปเรื่อยๆอ่ะอะ แต่ว่าแล้เขียนเขียนแบบในใจไปเรื่อยๆแล้วไม่ก็เสร็จแล้วก็จะจบหรอกว่าวันนี้ผ่านแต่ดาวจบทิ้งไปแล้วพยายามทำอย่างนี้ทุกวันหรือบางวันที่นึกอยากจะลองฝึกสมาธิก็เป็นคอนเนอร์จีย้อนหลังอย่างเช่นว่าก่อนนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปโรงพยาบาลย้อนไปย้อนไปจนถึงเช้าแล้วก็ผ่านทุกวันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านแล้วก็จบไป เป็นการเรียงลำดับภาพไปเ อ, อ้จะมาไม่แน่ใจคือพอตัวเองทำอย่างนี้เกือบบ่อยๆแล้วก็เวลาเมื่อกี้อย่างภาวนามันก็จะภาพมันอาจจะมาขึ้นไวขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นวิธีฝึกที่ที่ช่วยสำหรับตัวเองมากรายตํารวจแต่ละวันแต่ละ สดชัดแล้วก็มันบางทีมันมีเรื่องของอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกเดิมๆออกมาความรู้สึกตกค้างเช่นตอนนั้นเราโกรธเราเสียใจอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมทักโดยว่าถ้ายังไม่ ย, ไมยังไม่ตกยังไม่โปร่งในเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็จะยังมีความโกรธความมันอะไรอยู่แต่ถ้ามันโปร่งได้มันก็มันก็ผ่านไปผ่านไป พวกพวกที่เส SD, พ LSD เขาบอกว่ามีเหมือนกันพวกเคยกินเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ด <Yeah. S 1> เห็ดอะไรนะแถวทุกเกดอ่ะเขาบอกมีเหมือนกันวันนี้ถอยกลับไปสมัยยังเป็น ba, oh. อมีบ้าก็มีความทรงจำ แต่ว่าเราเราไม่ตื่นแล้วเราสึกเราเราเราปล่อยได้ไหมงานที่ยังค้างทรัพย์สมบัติที่มีเราพร้อมจะปล่อยมันได้ไหมถ้าทํา ก, ก, ก็ก็โอเคแต่ว่าคนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยพอคิดว่าพรุ่งนี้ไม่ตื่นนี่มันก็ว่าขึ้นมาพระโอ้ยตายงานการค้างค้า ง, างลูกหลานทรัพย์สินมันระดงต่าง เดี๋ยวขอโยคลุ่มตอนลอยน้ำหน่อยค่ะค่ะเรื่องไปหมดแล้วค่ะไม่ใช่ตั้งแต่พอท่านบอกว่าให้ทิ้งตัวลงอ่ะสงสายโยมตัวน่ะมันมันลงไปในหลุมเลยแล้วก็มันก็หลับไปแล้วพอสักพักมีคนมาขย่าหัวไม่ทักก็นึกถึงที่ท่านบอกว่ามีคนเอามีดมากรีดเท้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่โยมก็ตื่นขึ้นมาก็ฟังท่านอีกได้อีกพักแล้วเดี๋ยวอีก ที่ท่านบอกว่ามีคนมาจับตอนที่มันเย็นแล้วท่านก็บอกว่าให้รู้สึกเย็นตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงขึ้นมาเรื่อยๆโยมได้แค่ข้อเท้าก็ไปอีกแล้ว <laughs> แล้วก็แล้วก็ที่ที่จะพูดต่อก็คือเหมือนที่คุณหญิงอ้อยอะค่ะเพราะว่าก่อนจะนอนทุกคืนก็จะบอกว่าไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรนะก็ก็มันก็ยังยังตื่นทุกทีอ แล้วจะถามท่านจะกลายเป็นถามท่านอีกอย่างว่าสมมุติว่าไม่ใช่สมมติเราเอาโหสิให้ใครแล้วเนี่ยแล้วถึงเวลาตายจะกลับมาอีกไหมอะไรอะไรกลับมาไ อ, อ, อสิ่งที่เราคิดแล้วเราเอาโหสิให้ให้คนนั้นแล้วมันก็นจะนึกทวนกลับมาได้แต่ว่าเรื่องจากเราเอาโหสิแล้วเราก็เลยไม่ผูกเราก็เลยผ่านไปได้ไม่ไปคล้องแวะผูกติดตรงนั้นไม่ไปปรุงแต่งต่อไป หรือไม่จมอยู่กับอารมณ์ที่ที่เกิดเมื่อเห็นภาพนั้นภาพคนคนนั้นปรากฏในใจแต่เราต้องเอโหสิจริงๆใช่มะมคะอันนี้มันให้มันให้มั น, ใ ห, มนให้มันไม่มีอะไรค้างคาใจถึงจะถึงจะผ่านไปได้และสมะสมสมติว่าครั้งแรกเนี่ยเราบอกยังไงยังไงคนนี้เราก็ไม่โอโหสิให้แน่ๆ แ, แต่หลังจากที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็โอโหสิให้ทุกคนไอ สิ่งที่จะกลับมามันจะคือสิ่งที่ว่ายังไงฉันก็ไม่ไมเอาสิมั น, ม, นมันก็กลับมาเนี่ยแต่ว่าพรอเนื่องอจากใจเราเนี่ยไม่มีอะไรผูกจะไม่มีการผูกเจ็บด้วยใช่ไหมพอพอเราเห็นหน้าเขาเราก็ผ่านไปได้อย่างนั้นก็ไม่มีใครตกค้าง ก็ได้นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแม้ทางที่เบสเชื่อได้ว่าแม้กระทั่งตอนที่ตายไปแล้วแล้วอยู่ในภาะวะบาโดเนี่ยมันจะ ม, ม, จะมีมันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นและคนเนี่ยคือในช่วงที่อยู่ในภพะวะบาโดเนี่ยมันจะเหมือนกับสัมโคเวสีคือว่าจะสแสวงหาพบจะไปหาที่เกิดมันจะมีแรงกรำเนี่ยคอยคอยไล่ตีคอยสัดกระหนําเหมือนกับพายุเนี่ยซึ่งทําให้คนต้องวิ่งหาหาที่หลบ ตรงนี้แหละที่จะเริ่มพอใจหาที่เกิดเพื่อหลบแรงเพื่อหลบไอแรงกรรมเนี่ยนะพูดง่ายๆเนี่ยไอทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นพาะไม่ไม่รู้พไม่มีสติรู้ตัวไงเราบอกตอนนั้นมันจะมีเทพพิโรธปรากฏมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศัก์แต่ว่าเกิดขึ้นแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่เนื่องจากเห็นมก็กลัวกลัวก็หนีกันใหญ่ก็ต้องไปเกิดนะไปสแสวงหาพบเพราะว่าถูกมันไล่าตาม แต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้นี่มันก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศักแต่ว่าเกิดแต่มันทําอะไรไม่ได้มันก็มันสิ่งที่ปรากฏมาจากอาการของจิตใจเป็นภาพสะท้อนของจิตใจนะเหมือนกับเราเห็นความกวนเราไม่ไปทําอะไรมันเนี่ยมันก็ดับไปเห็นแล้วมันก็ดับไปเห็นแล้วก็ดับไปเราเรื่องมีจิตตั้งมั่นเฉยอุเบกขามันก็ไม่ไปก็เรียกว่าไม่ไปเผอเกิดได้เหมือนกัน นี่มันมันใช้ได้ตลอดไอ้การที่เป็นเป็นผู้รู้เฉยๆอ่ะโดยที่ไม่ไม่เข้าไปเป็มเนี่ยแต่มันจะได้ผลมากในช่วงมันจะดีมากเลยเพราะช่วงที่เราประสบทุกขเวทนาเนีไอ้เรื่องตัดปล่อยวางคนรักเนี่ยทำได้ง่ายแต่ว่าเจอทุกขเวทนาที่บีบคั้นเนี่ยคือปล่อยวางมันหายปล่อยวางมันหายใช่ไหมพอเห็นแล้วมันหายใช่หมไอ้พวกเรื่องความโกรธความโมโหเห็นแล้วมันดับเห็นแล้วมันดับหลวงปู่ดุนยบอกพอรู้แล้วมันก็ดับไอ้ความโกรธ ไอ้ทุกเวทนาเห็นแล้วมันไม่ดับนะมันก็ยังค้างอยู่นั่นแหละเวลาเราโดนยุงกัดใช่มเห็นเห็นแต่แล้วมันก็ความความคันก็ยังอยู่ไอ้ตรงนี้ที่มันมันยากไงถ้าเผลอเมื่อไหร่ไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อกี้เนี่ยพระอาจารย์ค่อยๆบอกทีละสเต็ปว่าอันนี้เป็นเรื่องทุกเวทนานี่เรื่องคนที่รักอันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มาเป็นสเต็ปแบบนี้มันมาพร้อมกันมันมาพร้อมกันซึ่งถ้าเกิดว่าตอนที่เรานึกถึง ศัตรูเราแล้วมันมีความเจ็บด้วยเนี่ยอโอกาสที่มันจะ ม, มันรบกวนจิตใจเนี่ยมันหงุดหงิดมันลำคาญจิตเต็งอกุศลพอนึกถึงคนที่เราไม่ชอบคิดหน้านี่มันแหมมันพุ่งพลางขึ้นมาเลยมันคุยอะไรออกมาก็ได้หยุดหยุดถ้าเป็นไอเป็นความปรุงแต่งน ะ, ะแต่ทุกเวทนาไม่หยุดนะทุกเวทนาก็ยัง ก็ยังยังยั ง, ย, งยังบีบขั้นต่อไปเว้นแต่ว่าเหตุปัจจัยของทุกขเวทนามันดับก็มันก็ดับไปด้วยอ ย, อย่างงั้นวิธีที่ท่านสอนให้เรารเผชิญกับความทุกข์ที่ว่า เ, เจ็บก็ดูความเจ็บหรือร้อนก็ให้ดูร้อนพวกนี้นี่มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเหลุดจากทุกขเวทนาจิตมันหลุดนะแต่การไม่หลุด คือจริงๆเนี่ยมันจริงๆมันต้องฝึกตรงนี้ด้วยนะซึ่งมันคือคือยังคิดยังปรึกษากับท่านท่านจิว๋วไว้อยากจะชวนเดินทางที่มันมีกวดมีทรายมีหินหน่อยแต่ว่าหาไม่เจอฮะนี่อ่า นั่นแหละต้องต้องต้องฝึกอย่างนั้นแหละฝึกเดินเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดินทุกวันทุกวันจะเห็นคุณภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงนะวันแรกกับนัาที่เจ็ดนี่จะเห็นจะรู้ว่าจะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะอยู่เหนือเวทนาได้ยังไงมันจะและ้วเราจะในระหว่างที่เดินนี่เราควรจะวางใจยังไงฮะตอนที่ระหว่างเดินที่กรวดร้อนเนี่ยไม่ต้องร้ อ, ห <laughs> อนหรอกทรรัญญก็เจ็บแล้ว อันนั้นก็ช่วยแต่ว่ากว่ากว่าจะเจ็บนงั้นเนี่ยบางทีกว่าจะเมื่อยงั้นเนี่ยเปชั่วโมงใช่ไแต่นี่เดิน5้าทีแรกก็รู้สึกแล้วมันเร็วดีดมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเนี่ยนะะถ้าฝึกได้ถึงตรงนั้นเนี่ยนะะไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันมันจะยังยังอยู่ไหมมันอยู่แต่มันมันมันก็เป็นแค่ แค่รบกวนกคแค่เกิดที่กายแต่ใจไม่ใจไม่ทุกด้วยไงค่ะใช่ค่ะก็ถ้าเปิดทําได้ถึงจุดนั้นแล้วก็จะช่วย<ก>ใ น, <ะ>ในวาสุดท้าย<ะ>ใช่ไหมคะจะจะช่วยได้มากเลยค่ะไม่ใช่ว่า <c oughs> เดินเออแล้วก็เป็นเล็บ แล้วก็ปวดขาแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไม่ขยับแล้วเราก็พิจารณาความเจ็บตรงนั้นแต่แต่แตนานนะแล้วมันก็จะเย็นว่าบมาแล้วก็หายไปอันนั้นหายเพราะว่ามันเป็นเอ่อฟิสิกส์ก็เคยเรียนถามคุณหมอพอกใจหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเรากำหนดได้ ต้องต้องเรียนถามคุณหมอพรทิพย์ตาเป็นพราะสมาหลายไปแบบสมาธิหรือคนที่คนที่คนที่เห็นมันคนที่รู้สึกว่ามันเจ็บตลอดก็มีไหม่ใมเนี่ยทําไปแล้วเออมันพอสมาธิดีวตมันก็หายไปไอเปไนเพราะเลือดลมหรือชี่มันวิ่งผ่านไปได้แต่ว่าบางพอมันมีบางกรณีที่ว่ามันหายตรงนี้แล้วไปโผล่ตรงนั้นหายโผล่หายตรงนี้แล้วไปโผล่ตรงนี้หรือในบางกรณีมันก็แช่อย่างงั้นแหละแต่ว่าเรา ก็สักตะไหเห็นมันพอเห็นมันพอจิตเป็นสมาธิมันกินเอนโดฟินหลั่มก็หายไปได้เหมือนกันมันมีหลายแบบคือไม่ไม่ทราบว่าคุณหญิงเขาฝึกจนเหมือนเหมือนสติเขาชาฟขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นไอตัวจิตที่มารับปวดเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยเลยทําให้มันทุเลาไปไหมคะยังอย่างตัวเองตอนไปฝึกงวดครั้งสุดท้ายเนี่ย มันปวดกล้ามเนื้ออย่างมากเลยเพราะว่ามันเกิดภาวะตกผวังตกผวังแล้วมันจะปล่อยไปเหมือนเด็ดวิญญาณเลยอะแล้ววันนี้มันอยู่ในท่าที่ไม่ถูกอะกล้ามเนื้อมันจะเจ็บพอพอรู้ตัวขึ้นมามันจะปวดตรงกล้ามเนื้อแต่พอพอเราดูจิตที่รู้ปวดเนี่ยปวดมันจะดีขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเราดูความปวดรู้ความปวดเนี่ยมันจะระดับ แรงมากเลยแต่พอเราทอยออกมาดูจิตไอตัวรู้ปวดเนี่ยแล้วสลับไปสลับมามันจะเห็นเลยว่ามันซีเควนต์เนี้ยมันมันทําให้เราทุกเราขึ้นเยอะนี่แล้วก็เลยไม่ลวกว่าของคุณหญิงอ้อยเนี่ยแบบประเภทอ้อยเนี่ยเป็นแบบประเภทเห็นเกิดดับแล้วมันก็เลยมันห่างอะ่ะมันมันไม่มากวนเราอะ่ะไม่คิดว่าตัวเองโหเก่งขนาดนั้นนะก็เลยเลยเลย อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะว่าอระบบในร่างกายมันจัดการของมันเองหรือเป็นเพราะโอ้ยว่าเราแต่ว่ามันก็ต้องนานอ่ะหมายถึงไม่ไม่ใช่กําหนดปุ๊บแล้วมันโอ้ยกาหนดต้องอดทนกับมันนานมากกว่ากว่าที่มันจะเย็นว่าบแล้วมันหายไปคืออะไรฮะคุณสมบัติอันนี้มันเพราะว่าเพราะว่าเคยก็ตอนที่มันเป็นเน็บมากๆเลยนี้ เฮยเดี๋ยวอายเขานแน่ๆเลยลุกขึ้นเดินเดินไม่ไหวขาเป๋อะไรเงี้ยแต่พอเป็นเย็นว่าเราหายไปพอออกจากสมาธิก็แบบลืมไปเลยว่าเมื่อกี้เราเจ็บมันหายไปเลยอะ่ะมีเพื่อนเคยพูดเคยเล่านะฮะแต่ไม่ทราบว่าจะอธิบายด้วยยังไงท่านอาจารย์ที่ผู้หญิงอ่อยเล่าเอาอานี่ยเอ่ออันนี้พอดีว่าอ๋อ สมัยที่ที่บวชใหม่ๆ อ, อยู่ที่วัดท่านอาจารย์ที่วัดชอบชอบพานั่งข้ามเวทนานทคือใหม่ๆเรานั่งกันชั่วโมงหนึ่งก็เจ็บแต่ว่าหลังนั่งพนานเข้าก็จะต้องเป็นสองเป็นสเป็น4โดยที่ที่ไม่ขยับนะก็จะจะต้องจะได้ดูพุทธบารมีก็ทําไปบางทีก็เข้าไปถึงเจเลยเพราะว่าเราเป็นทางมณ์ไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้ก็ ก, ก็นั่งก็ยาวเลยเพราะฉะนั้น มันจะมีไอความทุกขเวทนาที่เกิดจากการนั่งเนี่ยมันจะมีหลายหลายหลายระยะหลายสเต็ปอ่าเท่าที่ฟังจากคุณออย น, นี่น่าจะเป็นช่วงแรกที่ไม่เกินชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแรกไอตัวนี้เนี่ยมันจะหายได้โดยการที่บางทีก็วาบอันนี้เหมือนเป็นฟิสิกสลมันหายไปเองนะแต่ถ้ามันจะมาหนักอีกทีนึงมันประมาณเท่าที่คุยกับพระ ด, ด้วยกันด้วยก็จะเป็นชั่วโมง3 4อันเนี้ยนี่จะหนัก หนักชนิดที่แบบว่าเหนืยวแตกครักเลยพออันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการจัดการคือคือพอฝึกตรงนี้แล้วที่จะมาชึ่งเรื่องของจิตมากคือจิตนี่เก่งมากในการที่จะหาทางแก้ปัญหาที่เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราทุกเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะจมในความทุกข์แต่ไม่แ้่สมมุติว่าถ้าถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะพยายามจะแก้ไขความทุกข์ แล้วก็ตรงนั้นมันจะมีวิธีการที่แก้ที่หลากหลายมากแล้วจิตเนี่ยมันจะวิ่งไวมากในการที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าว่ามีความทุกข์อยู่ตรงนี้เราจะแก้ยังไงอ่าอ่าหลายอย่างอย่างเช่นถ้าาสมาธิดีก็จะแก้จะหลุดเข้าไปในสมาธิพอหลุดเข้าไปในสมาธิก็เหมือนกับยกใจขึ้นมาความเจ็บก็จีอยู่ที่นีใจที่นี่ไม่รับกันอ่าหรือว่าแก้ด้วยการวิพิจารณาถ้าได้ได้ผลเนี่ยก็ อ, อย่างเช่นว่าแยกใจว่าความเจ็บก็อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ไม่ไปรับความเจ็บเจ็บก็ส่วนเจ็บใจไม่เป็นอะไรอย า, าพพิจารณาถูกจุดเนี้ยมันก็วูบไปเลยมันหายไปเองอันเนี้ยนะหรือว่าหรือกอออ็กำหนดไปกําหนดไปก็จะเห็นละเอียดอาจจะอันนี้อาจจะคล้ายๆที่คุณหมอปัญญาพูดว่าเวลาเราเห็นความปวดเนี้ยเราจะเหมือนว่าความปวดนี่มันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเป็นก้อน แต่จริงถ้าเราดูละเอียดแล้วความปวดมันไม่เป็นก้อนอย่างนั้นมันเป็นปวดหายปวดหายปวดหายไอ้ยิ่งนั่งยิ่งเจ็ดชั่วโมงนี้ยิ่งแบบว่าว่ า, ว, าว่าเหมือนเข็มเหมือนเล่มมาแทงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแทงตลอดเวลาแต่มันจะแทงปี๊บแล้วก็หายรับแต่มันจะละเอียดมากมันจะยิบยบแล้วก็ที่บางทีพูดไปเหมือนซาดิบางทีเหมือนเห ม, มืนสนุกบางทีก็คือว่า มันมันเริ่มเห็นว่าเจ็บตรงนี้แล้วมันจะย้ายแล้วนะมันไม่หายถ้ามันขนาดนั่งเจ็บชั่วโมงอะไรอย่างนี้มันไม่หายง่ายเพราะว่ามันกดนานเดี๋ยวนี้จะเออเจ็บมันจะย้ายแล้วจากข้างนี้ไปอีกข้างหนึ่งแล้วที่มันสนุกก็คือมันย้ายจริงๆตามที่เหมือนเรารูอย่างเงี้ยนะแต่แต่มาว่าไอ้ตัวเจ็บเนี่ยตัวฟิสิกอลเองไม่เป็นปัญหาใหญ่ถึงแม้มันจะเจ็บมากมายแต่ว่าปัญหาใหญ่คือความคิดของเราเองที่ ตอที่นั่งเสร็จช่วงนีพรุ่งนี้จะออกไปบินธบาศได้หรือเปล่าขามันจะเสียหรือเปล่าเราควรไม่ควรจะนั่งนู้ดต่อไปแล้วนะมันไม่ได้แล้วเนี่ยนู้ดธรรมดาไม่ควรจะนั่งสังขารเรามีเท่านี้นะนะไม่ควรจะพ <c oughs> <c oughs> ยายามที่จะหาเหตุผลในการที่จะนี้คือตัวนี้หนักกว่าหนักกว่ามากที่จะต้องอ่านนี้ครแต่แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่รว่าคือคือคือพระป่าทํากันแต่ก็ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำบ่อยๆ ก็ทำเพื่อที่จะเรียนรู้เฉยๆนะไอนะอันนี้เป็นอีกอันที่ที่น่าน่าคิดคือว่าทุกครั้งที่ทําเรื่องเวทนาเนี่ยมันจะมีชนะมีแพ้ชนะนี่หมายความว่าผ่านไปเรื่อยๆแพ้หมายถึงว่าไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องยกขาออกคือการการนั่งเพื่อจะข้าเวทนาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของจริงความปวดมันจริงก็จริงแต่ว่าเมื่อเราขยับตัวนิดหนึ่งหรือ ย, ยกขานิดนึงความปวดก็หาย มันแก้ง่ายนิดเดียวอ่าแต่นี้ที่เราทนอยู่พื่อที่เราจะดูจะศึกษาอ่าสังเกตว่าถ้าวันไหนที่ยอมแพ้ว่าเจ็บเนี่ยไม่ไหวแล้วขอลุกก็ลุกมันก็ยังเจ็บอยู่เป็นวันเลยความเจ็บยังอยู่แต่ถ้าวันไหนที่นั่งไปอ่าแล้วก็ดูมไปเรื่อยๆจนกระทั่งความเจ็บมันดับไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยวันนั้นเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่นั่ง เพราะฉะนั้นคือค่าความรู้สึกของเราธรรมดาก็คือว่าถ้านั่งสมชั่วโมงกับเจ็ดชั่วโมงไอ้เจ็ชั่วโมงมันน่าจะเจ็บแล้วขามันน่าจะระบม่มากกว่าแต่ไม่อมันขึ้นอยู่จังหวะนั้นถ้าสมมติว่าจังหวะที่เจ็ดชั่วโมงเราลุกขึ้นมาแล้วอคือรอจนกระทั่งมันหายอ้าวูบขึ้นมาแล้วก็อ่ลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรปฏิ บ, บาตแล้วก็สบายขาไม่เป็นไรแต่อันนึงที่นอกจากที่ ต่มารู้สึกว่าตัวเองได้ได้ประโยชน์มากไม่ใช่แค่การศึกษาความเจ็บอย่างที่นี่ฮะแต่แต่แต่ตอนที่เจ็บจนมหาศาลตรงนั้นอะคือเลิกกลัวผีพพคือคือมันตลกมากคือว่าอ่าคือตอนที่ตอนนั้นนั่งอยู่ในปา่าวัดป่าที่มันมันมันมันคนเดียวแล้วก็ด็กจริงจริงสมัยก่อนก็กลัวผีมา ก, ก ก็พอมันเจ็บอย่างนั้นเนี่ยคือมันเจ็บจนกระทั่งลืมตาขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรที่มันมีสังขารเนี่ยมันก็จะเจ็บอย่างนี้เหมือนกันกับเราเพราะฉนั้นถ้าผีโผล่มาตรงนี้เนี่ยเราก็จะหัวเราะเยาะผีว่ามาหลอกกันทำไมเพราะว่าสังขารก็มีแล้วผีมันก็เจ็บเหมือนกันเลยก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วเชิญเชิญผีมาเหมือนคนบ้าหรอเชิญผีมาถ้าอยากจะมาก็มาเลยเนี่ยจะหัวเยอะเยาะให้เลยเพราะว่าเนี่ยนคิดว่าเนี่ย ก็ไม่มาคือ<ต>คือไอความปวดเนี่ยนะฮะถ้าเราอธิบายทางแง่การแพทย์เนี่ย <c oughs> ปกติเวลาเราปวดเนี่ย <c oughs> มันจะมีสารสื่อ <c oughs> เคมีวิ่งนะฮะวิ่งวิ่งจากจุดปวดเนี่ยนะฮะจากปลายประสาทเนี่ยแล้วมันก็วิ่งมาตามที่ไขสันหลังแล้ววิ่งไปที่สมองเข้าสู่ความรับรู้นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีกระบวนการช่วยเหลือร่างกายนะมันก็จะมีอินฮิบิเตอรี่เนี่ยเป็นตัว ยับย่างการปวดจะเป็นสารสื่อประสาทอีกชุดหนึ่งจะลงมาทีนี้คนที่คนที่ปวดบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าเซนซิไทเซชันมันเป็นมันเหมือนเป็นวงจรอุบาทเกิดขึ้นนะะเป็นมีอยูสอ่สองลักษณะเป็นที่ปลายทางกับตรงตรงในไขสันหลังเนี่ยะเพราะฉะนั้นคนที่ปวดนานๆแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมันจะก่อให้เกิด วิเชียรไซเคลอแล้วมันก็จะปวดเลื้อรังแล้วก็ถ้าจิตเขาไม่เข้มแข็งพวกนี้ก็จะเหมือนประสาทหน่อยๆออจะบุ ค, คลิกเปลี่ยนแล้วก็บ้องเบลอะ่ะแต่ทีนี้ถ้าถ้าพวกเราที่ฝึกจิตดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่านะะที่ท่านจิ๋วเลาว่าว่าวันไหนที่จิตเรานิ่งมีสมาธิมีความมั่นคงเนี่ยรุ่งเช้าไม่รู้สึกอะไรเลยอะคิดว่าเราเราสามารถสร้างไอ้สาร สารตรงนี้เป็นเซโรโทนินนะฮะที่ทำให้รู้สึกสบา ย, ล, ยลงมาอย่างยายาใหม่ๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะมันก็จะเป็นยาซึ่งทำให้การทำลายสารสื่อประสาทกลุ่มอินฮิปติตรีเนี่ยมันมันไม่ทำลายมันก็เลยทำให้หายปวดถ้าจะอธิบายทางการแพทย์นะฮะว่าว่าหลังจากที่เราฝึกจิตของเราดีเนี่ยถ้าถ้ามีการไม่ทราบต้องไปเสิร์ต ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่ามันมีเรื่องนี้ไหยที่เขาทำกันมานะฮะจะมีการดูแลคนไข้ที่เราฝึกมีดิเทชันให้เขาเนี่ยน ะ, ะให้ฝึกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็สแกนร่างกายไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่า5นาทีเช้า5นาทีกลางวัน5นาทีเย็นเนี่ยมันสามารถเกิดอ b บิลิตี้ของโพซิ t ซิงกิ้งความจำดีขึ้นสัมพันธมิตรกับเพื่อนๆดีขึ้นแล้วก็ สิ่งเหล่านี้มันมีมีออกมาเป็นเ a เปอร์นะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องนั่งสมาธิหลายชั่วโมงอะไรตรงนี้เดี๋ยวต้องไปค้นคว้าดูทีว่ามันอธิบายด้วยอะไรแต่ถ้าตัวเองวิเคราะห์นะฮะจากเรื่องเพนเมคานิซ i s มเนี่ยนะฮะอาจจะเพราะว่าพวกพวกที่นั่งสมาธิได้ดีๆนะฮะสามารถที่จะทำให้สือาาส่อประสาทไอ้ตัวที่ดีๆมันมากขึ้นมันก็จะหายปวดได้อย่างมหาศาลนะะ ถา้าจะมองจากแง่นั่งสมาธินะก็อยากรู้ว่าไอการเวทนาเนี่ยมันจะมากจะน้อยเนี่ยมันอยู่ที่จิตปรุงแต่งหรือเปล่าเพราะถ้าว่าจิตไม่ปรุงแต่งอย่างอย่างอย่างที่อาจารย์ท่านจิ๋วบอกบอกว่าถ้าเผื่อดูจนกระทั่งมันหายไปเนี่ยก็แปลว่าใช้สติไปหยุดมันให้มันปรุงแต่งต่อใช่ไหมคะแต่ถา้าเราเลิกเนี่ย จิตมันก็ยองปรุงคอนติเนียรทุกองแต่งก็ไม่ทราบว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าว่าเวทนาเนี่ยจะมากหรือน้อยนี่อยู่ที่จิตปรุงแต่งหรือเปล่าอันนี้ขอตอบในความเป็นหมอก่อนนะฮะที่ดูแลนไข้ที่เจ็บเนี่ยร้อเลยฮะว่าถ้าถ้าคนไข้เนี่ยได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยเขาหายไปละครึ่งหนึ่งไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะมีหมอรุ่นน้องคนนึงเราไปประชุมกัน เสรแล้วเขาหกล้มเขาเป็นโปอิโออยู่เดิมนะคะแล้ว6ล้มเนี่ยเขาก็เจ็บอะเจ็บตรงต่อมเขาเขาก็ไปเอกซเรย์ ray, เขานั่งรอเขาอยู่เฉยแต่พาะผลเอกซเรย์ออกมาเนี่ยว่าไอ้ตรงหัวบ้างเขาแตกเป็นหลายๆเสียงเลยอะ่ะเขาปวดขึ้นมาแบบมากมายจนอาเจียนเลยอะ่ะนะคะแล้วก็คนไข้ซึ่งซึ่งเป็นรูมาตอยที่วันนีน้น้องเต้นไปเห็นอะเพราะรูมาตอยเขาก็จะปวดมากนะคะมีคนไข้คนนึงเขาถึงกับ หนีไปบวชพระเพราะเขาคิดว่าจะไปสะเสด็จเคราะห์แต่อยู่บ้านก็ยังมีคนเช็ดก้นอะไรให้พอไปบวชก็เลยยิ่งแย่ใหญ่ก็ต้องสึกออกมาด้วยความช้ำใจแล้วเออทั้งเมียทั้งลูก ท, ทั้งน้องอย่งเงี้ยแบกกันมานะคะาบอกเขาไม่เดินมาเป็นเดือนและ้วล่ะเสร็จแล้วหมอก็เข้าไปดูดูเขาแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าเขาเนี่ยเป็นประเภทปานกลางแล้วเขาต้องให้เวลาหมอนะแล้วเขาต้องทําอะไรหมอต้องทําอะไร แล้วก็บอกเขาว่าใจเนี่ยสาคัญมากโรคนี้ถ้าใจยิ่งกลัวโรคมันไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับมือกันนะหมอทําตรงนี้นะแต่ว่าอ น, นันต์ต้องทําตรงนี้นะแล้วรับรองภายในสามเดือนคนละคนต้องให้เวลาแล้วเชื่อไหมฮะหลังจากกระบวนการตรวจเติรดอะไรเสร็จเรียบร้อยเขากำลังจะออกไปเนี่ยเขาบอกเมียเขาว่าเดี๋ยวเด๋ยวขอขอเดินไปลาหมอหน่อย ซึ่เมียเขาตกใจมากเลยเพราะว่าเขาไม่เดินมาต้องนานมากพอสมควรเพราะฉนั้นที่พี่เฉถามเนี่ยเรื่องจิตนี่มันแน่นอนร้อยเอลยความความปวดเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนแรกๆ ก, ก็ยังงงๆงงงงงงกับการฝึกอะว่าเอ๊ะทุกเวทนาของเราแล้วมันจะไหวเหรอแต่ตอนนี้มีความรู้สึกเลยนะว่ามั่นใจเลยแหละว่าถ้าพวกเราฝึกจิตของเราให้ดีเนี่ยทุกขเวทนามันจะทุเลาลงแน่นอน น, นี่คือคือความเดี๋ยวนะฮะในในส่วนที่ตัวเองสัมผัสกับคนไข้เนี่ยคิดว่าเขายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นะ่ะแต่ว่าเป็นการที่ลดการปรุงแต่งนะฮะอันนี้เป็นขนาดแค่แลดการปรุงแต่งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราเราได้ฝึกอะไรที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกมันก็น่าจะดีขึ้นได้อีกหลายสเต็ปอะคะวันนั้นยั ง, ยงมาคุยกับพี่วิภาเลยหลังจาก หลังจากที่ดูความปวดแล้วก็ถอยไปดูจิตที่รู้ปวดเนี่ยยังบอกพี่วิภาเลยว่าเอ้ยวเวลาถ้าเราปวดท้องฉี่มากๆาเงี้ยแล้วมันยังมันยังไม่มีที่จะไปอย่างเงี้ยอย่าไปดูความปวดฉี่เนี่ยให้มาดูจิตที่รู้ปวดมันน่าจะดีนะ <c oughs> อาจริงๆนะพี่ลองดูลองดูถ้าถ้าพ่วงที่มันฉุกเฉินอะ่ะค่ะ เดือียวเขายุโทษนะฮะขายกตัวอย่างเรื่องนี้นิดนึงตอนที่จะสอบตอนจะไปต่างประเทศเราต้องเมื่อก่อนต้องบินไปสอบเพื่อเทียบคุณลิฟายบินไปที่ฟิลิปปินส์เสร็จแล้วพอนั่งมงปุ๊บก็ยายหมอแขกผู้หญิงคนหนึ่งก็ทั้งจามทั้งไอทั้งสารพัดอะ่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าซวยจริงๆฉันรู้สึกบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วพอเสร็จพอกลิ้งให้ทํานะครับทำจนเสร็จกลิ้งอีกทีนึงทายชื่อเพิ่งมาได้ยินใหม่ มันเข้าไปในเนื้อหาของของซีเควนซ์ของงานที่เราต้องทำอะไม่ได้ยินจริงๆเลยนะฮะมันได้ยินอีกทีนึงก็เมื่อเราเสร็จงานของเราแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่า้เรื่องฝึกพวกนี้มันที่ที่คุณหิคุณหญิงอ้อยพูดเนี่ยมันมันรเเเลยอ่ะ คิดว่าพอสมควรนิดเดียวค่ะว่าไอ์อิโมชันเนี่ยมันมีพาร์สเวย์นะฮะพาสเวย์ในสมองเนี่ยที่ไปทําให้เพนมากขึ้นพอดีเดี๋ยวต้องไปเลคเชอร์ที่ราชเชโยรแพทย์แล้วก็เพมต้องรีวิวตรงนี้เดี๋ยวถ้าได้ยังไงแล้วเดี๋ยวมาให้อาจารย์ไพศารกับคุณซุยแล้วกันคือจะได้ไปตอบก็คิดว่าเราแลกเปลี่ยนกันพอสมควรนะคะก็อยากให้พระอาจารย์ลองพูดถึงสุดท้ายตรงนี้เขาว่าไอ้การซ้อมตายแบบนี้เนี่ยถ้ามันจะเกิดประโยชน์เนี่ย มันมันมันควรจะไปไปใช้ในในช่วงไหนยังไงบ้างของชีวิตในชีวิตประจำวันเราไม่ใช่ว่าจะต้องรอใหเออ้เรารู้สึกว่าสบายแล้วเราค่อยคิดหรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เราทำงานอยู่ก็มันก็ทำได้สองลักษณะคือว่า อ, อย่างเช่นเราในช่วงที่เราเราจัดเวลาให้ทำเป็นกิจวัตรเช่นก่อนนอน หรือช่วงที่เร า, าเราคล้ายๆว่าเราอาจจะทำกิจวัตรอย่างอื่นเสร็จ แ, แล้วในช่วงขณะนั้นเนี่ยเราเราก็ระลึกนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราตายตอนนั้นเลยหรือว่า หรืว่มีเหตุอะไรที่ทําให้เราต้องต้องตายในขณะนั้นเนี่ยเราจะเราจะวางใจอย่างไรบางทีการทําอะไรเป็นกิจวัตรเนี่ยบางคนก็จุดส่วนทาไปแล้วเนี่ยจิตมันชินจิตมันชินก็เลยทําไปแบบคนไกเห็นไหแต่ว่าช่วงที่เราช่วงนี้เราเราสบายสบายเราเราไปสนใจเรื่องอื่นเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาวิได้เนี่ยมันจะ ถ้าเกิดว่าเราเผลอหรือว่าเรายังยังไม่ระวังนี่มันก็จะวูบขึ้นมาได้มันจะกระทบใจได้ไงอย่างที่อาจามาบอกว่ า, าเช่นเวลากลาลังเดินทางอยู่เนี่ยเรานึกถึงเรื่องนี้สับ้างเห็นไหมการเดินทางรถชนเก็บินตกนะนั่งลิฟต์ล้วลิฟต์มันขาดถึงอะไรเงี้ยหรือว่ามันติดไฟไหมต่างๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงมันก็เป็นการช่วยฝึกใจให้เราปล่อยวางได้เร็วขึ้นหรือว่า มีสติกับเหตุการณ์เหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆได้ง่ายขึ้นหรือวิธีนี้ก็คือว่าเราอย่างเช่นเราเราฟังข่าวคนโน้นคนนี้เกิดอุบัติเหตุตา ย, ตายแล้วเราจินตนาการดูรว่าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเรารู้องเสีอยองไรการซ้อมตายนี่มันจะช่วยจะช่วยเช็คแล้วช่วยช่วยหนึ่งช่วยทําให้เราคุ้นกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นสอง คุ้นกับมาเรื่อแล้วแลวความตายได้ง่ายเป็สองเราได้ได้ได้เช็คว่าเรายังมีอะไรที่ยังยึดติดอยู่บ้างแล้วก็ฝึกเคยก็เป็นงานฝึกการปล่อยการวางพร้อมๆกับการกระตุ้นให้เราขนขวายที่จะทําอะไรที่เราอาจจะเราอาจจะพัดผ่อนนะมันกระตุ้นทำไมเราเกิดความสึกเรียกว่าต้องต้องเร่งทำนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเองอันนี้ก็คือสาม ส า, สามแบบสามลักษณะที่เราสามารถจะฝุดซ้อนท่ายได้ก็ยังไงคืนนี้ก็ขอให้พักผ่อนเต็มที่นะคะพรุ่งนี้เช้ายัางเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ยังเจอกันหกโมงครึ่งนะคะเพื่อที่เราจะมาทำภาวนาร่วมกันเหมือนเดิมนะค ะ, ะก็ก็ก่อนทานข้าวกลางวันนะคะ ก็คือช่วงช่วงเช้าเนี่ยหลังจากนั่งสมาธิภาวนาเสร็จแล้วเรามีทานอาหารเช้าใช่ไหมคะหลังทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยเราก็จะกลับเข้ามาที่จะมานั่งพูดคุยกันเพื่อดู อ, อ, อาจจะซักถามรวมทั้งสรุปภาพรวมทั้งหมดของการอบรวมว่าเราได้เรียนรู้อะไรแง่มุมอะไรยังไงบ้างนะคะรมนัอาจจะมีข้อเสนอแนะบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะนะค ะ, ค ะ, คะก็มาหลับฟันดีนะคะคืนนี้เดี๋ยวเรากลับพระแล้วก็จดหมุนพร้อมกัน